จเจริญอนทุกท่านนะเวลาฟังธรรมธรร ม, มะเป็นของที่เราต้องเคารพเวลาเราฟังธรรมฟังด้วยจิตใจที่เคารพอ่อนน้อมต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆนะ์ใจของเราที่อ่อนโยนอ่อนน้อมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยใจอย่างนี้มันพร้อมสำหรับธรร ม, มะนะเราจะได้รับกระแสของธรร ม, มะ ธรรมะไม่ใช่เหมือนฟังเลคเชอร์อย่างเราเรียนหนังสือฟังอาจารย์บรรยายนะจำไม่ได้จดไม่ได้จำไว้มันก็เข้าสมองจดไว้มันก็อยู่ในกระดาษมันไม่เข้าถึงใจเราต้องฟังด้วยใจที่สงบใจที่มีสมาธิในการฟังแต่ใจที่สงบไม่ใช่สมาธิที่ลึกเกินไปถ้าใจลึกจนแนว่วนิ่งไม่กระดุกระดิฟังอะไรไม่รู้เรื่อง จะสงบอย่างเดียวไม่ว่าเราจะฟังธรรมนะซึ่งก็เรียกว่าศึกษาปริยัตการฟังธรรมเนี่ยคือการเรียนปริยัตนั่นเองหรือเราจะลงมือปฏิบัติมันจะนำไปสู่ปฏิเวทคือความรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะได้เนี่ยจิตเราต้องมีคุณภาพพอถ้าจิตเราไม่มีสมาธิพอเนี่ยฟังธรรมะก็ฟังไม่เข้าใจเข้าแต่สมองไม่เข้าใจ เข้าใจเนี่ยเข้ายากลงมือปฏิบัติมันก็ไปปรุงแต่งมันก็ไม่เข้ามาถึงจิตถึงใจที่จะล้างกิเลสได้งั้นตัวสําคัญเลในการที่เราจะศึกษาธรรมะไม่ว่าจะภาคปริยัติหรือภาคปฏิบัติเนี่ยอยู่ที่เรามีสมาธิพอหรือไม่ถ้าไม่มีสมาธิฟังธรรมะก็ไม่ได้ผลถ้าสมาธิไม่ถูกต้องนะฟังธรรมะเข้าสมองหมด เหมือนอย่างที่เราเรียนจากอาจารย์มหาวิทยาลัยจากฟังอาจารย์มัธยมปฐมอะไรเงี้ยฟังแล้วมันเข้าหัวไว้พอสอบเสร็จหรือยังไม่ทันจะสอบมันก็หายไปหมดละมันไม่เข้าใจลงมือปฏิบัติถ้าสมาธิเราไม่ดีสมาธิเราไม่ถูกต้องก็ไม่เข้าใจเข้าไม่ถึงใ จ, จาการปฏิบัติถ้าไม่เข้าถึงจิตถึงใจเนี่ยไม่ได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติ นี่หลวงปู่เทศบอกไว้นะว่าการปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่ถึงจิตถึงใจนะไม่ได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติงั้นเมื่อก่อนที่เราจะฟังธรรมหรือก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะการเจริญปัญญาเนะั้นเราต้องเตรียมใจให้พร้อมตัวนี้แหละเป็นตัวสาคัญมากถ้าเราไปดูให้ดีนะในตำราชั้นไหนก็ตามนะตั้งแต่ ชั้นพระใจผิดดกลงมาจนถึงกหรับตําราที่ครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆเขียนขึ้นมาเราจะพบว่าท่านสอนวิธีปฏิบัติเอาไว้เยอะแยะไปหมดเลยนะวิธีปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยยังอยู่ครบแต่อยู่ในตาําราปัญหาใหญ่ก็คือเราไม่สามารถหยิบตํารามาแปลเป็นสู่การปฏิบัติได้ยงั้นถ้าพูดเรื่องตํารานะมีครบเลยคำปีทั้งหลายเนี่ยยังอยู่ไม่หายไปไหน แต่การที่จะหยิบเอาคำพีออกมาแล้วลงมือปฏิบัติให้ได้ผลจริงๆเข้าถึงปฏิเวทธรรมได้มรรคได้ผลสัมผัสพระนิพพานอะไเนี้ยมันทำให้สำเร็จมัขาดเคล็ดลับนะคำพีมีแต่ไม่มีเคล็ดลับในการปฏิบัติตามคำพีวิธีปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยยังอยู่ครบเลยเรื่องสมถะทำยังไงในตาราก็มีมีปัศนาทำยังไงในตำราก็มี จะเจริญสติปัฏฐานต้องทําอะไรบ้างนะตำราเขามีมีละเอียดยิบเป็นหมดเลยนะแต่ทําไมทํำเราไม่ได้ผลที่ทําไม่ได้ผลเราไม่ได้เคล็ดวิชานะเราไม่ได้เคล็ดเราไม่มีจิตที่เหมาะสมที่เอาไปปฏิบัติธรทำนะเราต้องมีจิตที่เหมาะสมสักก่อนนะไม่ว่าเราจะทําอะไรกระทั่งการนั่งฟังธรรมเราต้องมีสมาธิสําหรับการฟังสมาธิสําหรับการฟังนี้เป็นสมาธิออกนอกนะ แต่ว่าต้องมีอันนี้เป็นสมาธิที่จะอยู่กับโลกงั้นการฟังทำอย่างหลวงพ่อเทศแล้วพวกเราจะฟังให้รู้เรื่องสังเกตให้ดียใจเราต้องไม่วอกแวกสมาธิมันแค่นี้เองใจไม่วอกแวกนะฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดไตรตรองทบทวนอยู่ในสิ่งที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้มันก็จะเกิดความเข้าใจนะความเข้าใจขึ้นมาแต่ถ้าให้ดีวิเศษยิ่งกว่านั้นอีกก็คือทําสมาธิไปเลยแล้วก็ฟัง ทำสมาธิเนี่ยจิตใจรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะอยู่ในอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นพุโทโธพุโทโธไปหายใจไปแล้วก็นั่งฟังฟังเล่นเล่นแต่เมื่อไรกระแสธรรมที่หลวงพ่อแสดงเนี่ยมันตรงกับใจของเราในใจของเราจะตื่นตัวขึ้นมาสัมผัสกับ ก, บกระแสธรรมนั้นเวลาที่ความรู้ความเข้าใจชนิดนี้เกิดขึ้นนะมันประณีตมันลึกซึ้งมากกว่าการฟังไปคิดไปแต่เบื้องต้นยังไงก็ต้องฟังไปคิดไปก่อน นี่พอมาถึงขั้นปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งไม่ใช่สมาธิออกนอกนะเป็นสมาธิที่จิตจะต้องตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวสมาธิชนิดนี้อาภัพที่สุดเลยหลวงพ่อแต่ไหนแต่ใดมานะพยายามย้ําให้พวกเรามีสมาธิชนิดนี้ขึ้นมาให้ได้ถ้าเราไม่มีสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเราจะเริญปัญญาไม่ไดนะ้เรามีแต่สมาธิที่จิตออกนอก เช่นพุทโธพุทโธนะจิตไปแนบอยู่กับพุทโธไปนิ่งอยู่กับพุทโธหายใจออกหายใจเข้าจิตไปแนบอยู่กับลมหายใจไปนิ่งอยู่กับลมหายใจไม่หนีไปไหนเลยอันนี้ได้สมถะดูท้องพองยบเนี่ยจิตไปแนบอยู่ที่ท้องเดินจงกรมจิตไปอยู่ที่เท้าไม่หนีไปที่อื่นอยู่แต่เท้าอย่างเดียวอะไรเนียอย่างนี้ได้สมถะนะได้ความสงบเฉย สมาธิแบบนี้เป็นสาธารณะคือมีทั่วไปในทุกคำสอนศะาสดาอื่นๆเขาก็สอนกันสมาธิชนิดนี้แต่ทำไมมาสู่การเจริญปัญญาไม่ได้เพราะสมาธิที่ใช้จเจริญปัญญานั้นเป็นอีกแบบหนึง่งตัวนี้แหละที่หลวงพ่อพากเพียรมากมายนะในช่วงสามสิบปีสามสิบนะปีมานี้ได้ไหมตั้งแต่สองห้านะสองห้าเป็นต้นมาเนี่ยหลวงพ่อสอนเพื่อนๆตั้งแต่แรกๆสอนคนใกล้ๆตัวก่อน สอนทํำยังไงจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานะไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่ผู้เพง่งนะตัวนี้เป็นสมาธิที่อับพับไม่มีใครรู้จักนะหายากมากเลยตอนเด็กๆหลวงพ่อทําสมาธนะิเรียนจากทางท่านพ่อหลีพันธ์อโศกรามได้เราเด็กท่านเด็กๆนี่เรียนกับท่านท่านไม่ได้สอนวิปัสสนาให้เพราะเราเด็กเพิ่งเรียนปรับพื้นฐานในขั้นของสมถะเท่านั้นเอง ก็าหายใจไปเรื่อยนะรู้ลมหายใจหายใจเข้าพูดธหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดธหายใจออกโทนับสองนี่เด็กๆเล่นอย่างนี้ลมหายใจทีแรกก็ยาวนะหายใจลมมันลึกลงไปถึงท้องหายใจไปจิตค่อยสงบสงบนะลมก็ค่อยตื้นขึ้นตื่นขึ้นลงมาอยู่ที่ปลายจมูกนิดเดี๋ยวไหวอยู่นิดเดียวเสร็จแล้วมันกลายเป็นแสงสว่างไปดวงแสงสว่างเนี่ยหลวงพ่อก็หลงอินโนเซนต์นอะไม่รู้เรื่องอ่ะ นะเห็นมันสว่างดีนะก็ไปดูที่สว่างนะจิตมันไหล pues, พอมันอยากรู้อยากเห็นอยากเห็นสวรรค์เห็นอะไรนะไปดูไอ้แสงนี่แหละจิตมันออกนอกนะสมาธิอย่างนะั้นไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาเลยต่อมาเริ่มเอะใจว่าถ้าจิตออกนอกอย่างนี้ไม่เห็นมันจะได้อะไรขึ้นมาเราไปเห็นเทวดานะเทวดาเขาก็ไม่ให้เราอยู่ด้วย <ST> S> <S เห็นเทวดามีกินอาหารกันเยอะแยะนะเราก็กินของเขาไม่ได้นะไม่เห็นได้ประโยชน์เลยในการที่ออกไปรู้ มีนำซ้ำําถ้าไม่เจอเทวดาเกิดไปเจอผีจะทํำยังไงผลพ่อกลัวผีมากเลยนะตั้งแต่เล็กๆเนียกลัวผีจับจิตจับใจนะทั้งๆที่ไม่เคยเห็นนะแต่เล็กๆไม่เคยเห็นเนาะแต่กลัวนะก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมาธิเราออกนอกอย่างนี้ไม่ดีเดี๋ยวไปเจอผีถัดจากนั้นเลยหายใจแล้วก็รู้สึกหายใจแล้วก็รู้สึกนะหายใจจนจิตสงบนะก็ยังรู้สึกตัวอยู่มันจิตมันตั้งมั่นขึ้นมา จิตที่หายใจไปเถ้ามันจับลมหายใจนะลมหายใจละเอียดกลายเป็นแสงสว่างจากแสงสว่างเนี่ยจิตจับอยู่ที่แสงสว่างนะมีความสุขมีอะไรขึ้นมาเรารู้ไปรู้ไปนะจิตก็วางการจับแสงสว่างเป็นความรู้สึกตัวไม่เอาแสงเป็นอารมณ์นะจับมันทวนเข้ามาที่จิตจิตก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานขึ้นมาเนี่ยได้ตัวผู้รู้มาแต่เด็ ก, ดกๆต่อมาพอมา ฝึกมาเรื่อยๆนะก็มีแต่รู้สึกอยู่อย่างเงี้ยรู้สึกรู้สึกนะเพราะงั้นตัวความรู้สึกตัวจิตผู้รู้เนี่ยถึงเราได้มาก็ไม่เกิดปัญญานะมันเป็นจุดตั้งต้นที่จะเจริญปัญญาเท่านั้นอั้นสมาธิเนี่ยทำไปเนี่ยยังไม่เกิดปัญญา ท, ทีเดียวหรอกนะต้องมีมิธีการที่จะทำให้จิตซึ่ทรงสมาธิแล้วเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจถึงจะเกิดปัญญาได้ตอนเด็กๆ ทำแต่สมาธิจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงอยู่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทําได้แค่นั้นเองนะเจริญปัญญาไม่เป็นหรอกนะครูบาอาจารย์ท่านก็สิ้นไปแล้วลงท่านพรดีท่านกสิ้นไปนะอายุไม่มากห้าสิบกว่าปีเงเป็นโรคกระเพาะโรคอะไรอยนะสมัยท่านภาวนาท่านเด็ดเดี่ยวมากเลยอดข้าวอดทรมานร่างกายนะร่างกายทนไม่ไหวนะท่านก็สิ้นเร็วหลวงพ่อเดินปัญญาไม่เป็นกนะ็ทําแต่สมถะ ถ้าจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่สมถะช น, นิดเคลิมงอกงองแงแง่งอย่างที่พวกเรานั่งนะนั่งแี้วอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยยิ่นั้นไป น, นอนซะดีกว่าเดี๋ยวคอเคล็ดถ้านะนั่งก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวนะนั่งได้ความรู้สึกตัวใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นรู้สึกตัวไปจะลืมตาจะหลับตาใจก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่างเงี้ยนะต่อมาไปเจอครูบาอาจารย์เจอหลวงปู่ดูลั่นท่านสอนให้ดูจิตใจตัวเองอาจดูจิตทีแรก ไม่รู้ว่าจิตอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าจิตอยู่ที่ไหนแนะล้วหลวงปู่ให้ดูจิตเราจะดูที่ไหนล่ะจะเอาอะไรไปดูจิตหน้าตาเป็นไงไม่รู้อะไรสักอย่างเลยปฏิบัติมา22ปีทําแต่สมาธิไม่รู้วิธีที่จะเจริญปัญญาเห็นไหมเจริญปัญญาแรกเลยต้องมีอารมณ์ที่ถูกต้องอารมณ์ของการเจริญมิปัาสนานะต้องเป็นรูปธรรมหรือนมามธรรมที่เป็นประกอบกันเป็นตัวเรานี่หลวงปู่ดูลเห็นว่าหลวงพ่อเนี่ยควรจะเจริญปัญญาด้วยการดูจิตท่านก็สอนให้หลวงพ่อดูจิต ลูกศษบางคนท่านก็ให้ดูกายหนะลวงปู่ดูลไม่ใช่ครูบาอาจารย์ที่มีหลักสูตรสําเร็จรูปสําหรับคนใดคนหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งท่านสอนตามจริตนิสัยจริตนิสัยหลวงพ่อเป็นคนเมืองนะเป็นพวกคิดมากพวกทิฐิจริตจเจ้าความคิดทํางานด้วยการคิดเอาเรียนก็เรียนหนังสือด้วยการคิดเอานะงั้นท่านเลยดูแล้วจริตนิสัยแบบนี้ให้ดูจิตพอมหาดดูจิตไม่รู้จะดูยังไงนะก็เลยคิดทําความสงบเข้ามาก่อน ถ้าทำความสงบได้แล้วก็พิจารณาดูว่าจิตมันจะอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ในกายจิตไม่อยู่ที่อื่นหรอกจิตต้องไม่อยู่เกินร่างกายเหล่านี้ออกไปจิตไม่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาข้างนอกหรอกจิตต้องอยู่ในร่างกายนี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะรู้ไม่เกินกายออกไปจะรู้อยู่ในกายนี้เองนะแล้ววันหนึ่งจะต้องเจอจิตคิดอย่างนี้แล้วดูไปจิตอยู่ที่ผมหรือเปล่าก็ไม่เห็นอยู่ที่ขนเล็บฟันหนังเลือเอ็นกระดูกมก็ไม่เห็น จิตอยู่ในร่างกายแต่ไม่ได้อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะเพราะจิตไม่ใช่วัตถุนะมาดูว่าจ cool. ิตเป็นนามธรรมนะจิตเป็นนามธรรมเป็นความสุขความทุกข์หรือเปล่าก็ไม่ใช่ดูไปที่ความรู้สึกสุขความรู้สึกสุขดับไปก็ไม่เห็นจิตโผล่ขึ้นมาดูไปที่ความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกทุกข์ดับไปก็ไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเราพอมาสวดมนต์พุทโธสุสุโธคารุนามะัณโนนี่คือจิตคิดนั่นเอง พอจิตคิดบทสวดมนต์ขึ้นมานะเรามีสติรู้ทันจิตมันคิดบทสวดมนต์ขึ้นมาเราเห็นเลบทสวดมนต์มันเลื้อยขึ้นมาจากความว่างๆจิตเป็นคนดูขึ้นมาจิตมันดิดผางออกมาเป็นผู้รู้เลยพรอจิตมันดิดออกมาเป็นตัวผู้รู้แล้วเอออันนี้มันของเก่านะตอนที่นั่งสมาธิมาแต่เด็กมันก็เข้ามาที่ตัวนี้เองนะก็เลยรู้เลยว่าเราสามารถพัฒนาจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ด้วยสองวิธี วิธีที่หนึ่งทำสมาธินะในรูปแบบนี้แหละหายใจไปอะไรไปนะจนจิตมันเกิดแสงสว่างขึ้นมาลมหายใจหายไปนะใช้แสงสว่างเป็นอารมณ์ถัดจากนั้นพอจิตมันวางแสงสว่างนะมันทวนเข้ามาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาผู้รู้ที่เกิดจากการทําสมาธิเต็มรูปแบบเนี้ยจะมีกําลังมากมันจะทรงตัวอยู่ได้นานนะทรงตัวอยู่ได้วันเป็นวันวั น, วนหลายๆวันด้วยนะ ทรงตัวอยู่ได้นานส่วนผู้รู้ที่เกิดจากการที่เรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดจะทรงตัวอยู่แวบเดียวอะไรไปคิดเรารู้ทันจิตก็จะรู้สึกเดี๋ยวก็ไหลอีกไหลอีกรู้สึกอีกนะรู้ทันอีกว่าจิตไหลแพงไม่จะรู้เป็นผู้รู้ขึ้นมาอีกแวบหนึ่งเป็นผู้รู้ทีละแวบทีละแวบนะอันนี้เป็นผู้รู้ชนิดนี้เรียกว่าผู้รู้ที่อยู่ด้วยคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วขณะนะส่วนผู้รู้ที่เกิดจาก อุปจาระสมาธิอัปนาสมาธิอันนั้นสําหรับคนที่เขาเล่นสมาธิจริงจังนะผู้รู้อย่างนั้นไจะอยู่นานผู้รู้ที่อยู่ในอุปจาระนะมันจะตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันจะเห็นความเกิดดับภายในนะความเกิดดับภายในไม่ใช่ไปเกิดดับที่ตาหูจมูกลิ้นกายนะให้เกิดดับอยู่ที่ใจเห็นไหววับวับวับวับไหวยิบยๆยับยับขึ้นมาภายในจิตใครเคยเห็นไหมไหวขึ้นมากลางอกนะ จิตที่ไปเห็นความไหวอยู่ที่กลางอกนะไว้อยู่ได้เห็นอยู่ได้ทั้งวันเห็นอยู่ได้ทั้งเดือนนะอย่าง น, นี้ทั้งวันทั้งคืนอยู่ได้อย่างนี้เป็นเดือนเลยเห็นมันไหววับวๆบวับวบวบนจิตมันส่งสมาธิในระดับอุปจาระนะแต่ตัวผู้รู้ในขั้นอัปปนาเนี่ยไม่ไปดูไหวไหๆนี่แล้วมันจะเด่นดวงขึ้นมาจะเป็นตัวรู้ที่เด่นดวงสว่างสวัยอยู่ จนถึงโลกธาตุดับไปนะตัวรู้นี้ก็ยังทรงอยู่นะสว่างสวัยรู้เนื้อ ร, รู้ตัวอยู่ง้นะไม่ปรุงไม่แต่งอะไรแต่ถ้าจะเจริญปัญญานะาอันนี้สำหรับคนทึ่งทำสมาธิชำนานแล้วก็ดูจิตชำนานเนียจะเจริญปัญญาในสมาธิได้นะจะทำได้ชำนาน เพราะว่าพอจิตเข้าถึงสมาธิขั้นอัปปนานสมาธิแล้วเนี่ยการเจริญปัญญาในอัปปนานสมาธิเนี่ยจะดูความเกิดดับขององชานซึ่งองชานทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องนํามาทําทั้งสิ้นเลยเช่นปีตินะเห็นปีติเกิดขึ้นเห็นปีติดับไปเห็นความสุขเกิดขึ้นเห็นความสุขดับไปเห็นอุเบกขาเกิดขึ้นอุเบกขาดับไปนีจะเห็นความเกิดดับขององชานนะอันนี้เป็นตัวรู้แล้วก็ไปเดินปัญญาในฌาน แต่ถ้าดูจิตไม่ชํานาญนะพอเข้าสิงชานจะเป็นนิ่งอยู่เฉยๆเป็นตัวรู้อยู่เฉยๆไม่ทํามาหากินอะไรหรอกนิ่งอยู่งั้นแหละแต่ว่ามันก็มีผลพอออกจากสมาธิมาแล้วตัวรู้เนี่จะทรงอยู่ให้มาดูกายเลยอย่าไปดูจิตเพราะจิตจะนิ่งอยู่นะจิตที่เราผ่านการเข้าฌานมาแล้วมันจะนิ่งอยู่อีกนานเลยเพราะงั้นมาดูกายครูบาอาจารย์สอนถึงสอนเนยว่าออกจากสมาธิแล้วให้มาดูกายเพราะอะไรกายมันไม่นิ่งใจมันมีไตรลักษณ์ให้ดูได้นะ สมาธิเลยมีหลายแบบนะสมาธิที่ถูกต้องยังมีทั้งสามลักษณะจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนีในอัปปนาสมาธิก็มีในอุปจาระสมาธิก็มีในคณิกะสมาธิก็มีแต่อย่างพวกเราส่วนใหญ่ในยุคนี้เข้าฌานไม่เป็นนะเข้าฌานไม่ได้ถ้าเข้าฌานไม่เป็นเข้าฌานไม่ได้เราไม่มีทางเลือกแล้วล่ะสมาธิที่พวกเราจะมีโอกาสมีได้นะก็แค่คณิกะสมาธิเท่านั้นแต่อย่าดูถูกคณิกะสมาธิว่า สมาธิขณะจิตเดียวจะได้ประโยชน์อะไรอย่าลืมนะว่าอริยามรรคเนี่ยเกิดขึ้นหนึ่งขณะจิตเท่านั้นไม่มีสองขณะนะเพราะงั้นถ้าสมาธิคณิกาสมาธิของเราทําได้ดีจริงนะเราเรียนรู้ไปทีละขณะทีละขณะนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นขณะขณะนี่แนหะแค่นี้ก็พอแล้วนะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปถึงเวลาที่อริยามรรคจะเกิดนะั้นจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิด้วยตัวของมันเองเราไม่ต้องเข้ามันเข้าของมันเอง แต่ตอนนี้เรามาฝึกให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทีละขณะทีละขณะวิธีที่จะฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทีละขณะเนี่ยเบื้องต้นให้พวกเราทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งซะก่อนจะพุทโธก็ได้จะรู้ลมหายใจก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้แต่ไม่ใช่พุทโธให้จิตนิ่งไม่ใช่ทํารู้ลมหายใจให้จิตนิ่งไม่ใช่ดูท้องพ่องยุบให้จิตนิ่งแต่พุทโธเพื่อจะรู้ทันจิต รู้ลมหายใจเพื่อจะรู้ทันจิตดูท้องพองยุคเพื่อจะรู้ทันจิตการที่เราคอยรู้ทันจิตนั่นแหละถึงจะเรียกว่าจิตตะศิกขางั้นบทเรียนของพระพุทธเจ้าที่ชื่อศีลสิกฐ์ขาฝึกไปให้มีศีลจิตตะิกขาฝึกให้เกิดสมาธิเป็นการฝึกจิตเท่านั้นเองนะไม่ใช่ไปทำพุทโธพุทโธแล้วก็เคลิมเคลิมไปแล้วบอกว่าทําจิตตะิกขายังไม่ได้ทําจิตตะศิกขาเลยเพราะไม่ได้เรียนเรื่องจิตถึงยังไงก็ต้องเรียนเรื่องจิต ต้องมาฝึกให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้งั้นเรามาหัดนะพุโทโธไปหายใจไปอะไรนี้ก็ได้นะพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะจิตหนีไปคิดรู้ทันพุโทโธพุทโธจิตไหลไปเพ่งคำว่าพุโทโธเพ่งจิตให้นิ่งรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปรู้ลมหายใจนะเราก็รู้ว่าจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจแล้วรู้ทันจิตเคลื่อนไป หายใจไปจิตหนีไปคิดเรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดจิตที่จะหลุดออกจากความคิดตั้งมั่นขึ้นมาให้รู้ทันจิตที่ไหลไปแล้วจิตจะตั้งมั่นด้วยตัวของจิตเองตัวนี้เป็นของสําคัญมากเป็นเคล็ดลับในการปฏิบัติเราต้องฝึกจิตชนิดนี้ขึ้นมาให้ได้ก่อนจิตที่ตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้บังคับไว้เป็นจิตที่ตั้งมั่นโดยไม่บังคับไว้ถ้าบังคับไว้ใช้ไม่ได้เมื่อเรามาหาัดพุโทโธพุทโธไม่ใช่เพื่อบังคับจิตให้ตั้งมั่น จะมาพุทธโธเพื่อรู้ทันเวลาจิตไหลไปพอเรารู้ทันจิตที่ไหลไปจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเพราะจิตที่ไหลไปเนี่เป็นจิตฟุงรร้งซ่านทันทีที่สติระลึกรู้จิตที่ฟุงรร้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับโดยอัตโนมัติเพราะสติเกิดเมืนะ่อไหร่นะอาคูสนจะดับเมื่อนั้นเพราะั้นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นสติระลึกได้ปั๊บแต่ความฟุ้งซ่านดับจิตก็มีสมาธิขึ้นมาเลยนะจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องรักษานะไม่ต้องจงใจสร้างขึ้นมา เมื่อมันเกิดแล้วก็ไม่รักษามันจะเสื่อมไปก็ให้มันเสื่อมไปอีกแต่ว่าพอจิตไปไหลไปคิดใหม่เสื่อมก็คือมันไหลไปคิดอีกไหลไปคิดอีกเรารู้ทันอีกนะจิตจะเด่นดวงตั้งมั่นขึ้นมาอีกเป็นขณะขณะนี่แหละฝึกไปจนชํานาญนะจิตจะตั้งมั่นต่อไปทั้งๆที่มันเกิดทีละขณะนี่แหละแต่มันเกิดทีนะเกิดทีขึ้นทีขึ้นทีขึ้นนะมันจะมีความรู้สึกเหมือนว่ารู้ตัวอยู่ได้ทั้งวันเลยจิตที่ทรงสมาธิตั้งมั่นเด่นดวงอยู่เนี่ย มันจะไม่ลืมกายมันจะไม่ลืมใจจิตที่ไหลไปเนี่ยจะลืมกายลืมใจหลวงปู่ดูนเรียกจิตที่ไหลไปว่าจิตออกนอกนะจิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เนี่ยมันจะรู้กายรู้ใจได้สังเกตดูเวลาที่พวกเราใจลอยรู้จักใจลอ ย, ยไหมสังเกตไหมเวลาใจลอยเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจ เมื่อไรใจลอยเมื่อนั้นลืมกายเมื่อนั้นลืมใจนะแต่เมื่อไรถ้ารู้ทันว่ากําลังใจลอยรู้ทันว่ากําลังหลงไปคิดอยู่จิตจะดีดตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานจิตที่เป็นผู้รู้นั้นมันจะรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจรู้ได้จิตที่ตั้งมั่นรู้ได้จิตที่แยกตัวออกมาอยู่ต่างหากเป็นคนดูเราต้องฝึกจนกระทั่งให้ได้จิตชนิดนี้ขึ้นมานะ ถ้าเราไม่มีจิตชนิดนี้ถึงเราไปเดินปัญญาให้ตายก็ทําไม่ถูกหรอกทำไม่ได้นะจะว่าอาจารย์สํานักนี้เก่งนะแต่ถ้าเราไม่มีจิตชนิดนี้นําไปทําตามอาจารย์เราก็ไม่สําเร็จนะไม่ใช่ว่าทุกคนต้องทําแบบนี้เหมือนกันแต่สิ่งที่ต้องเหมือนกันก็คือต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตชนิดนี้แหละเป็นจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องนะเมื่อไม่กี่เดือนนี้หลวงพ่อเจอครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะ คือคุณแม่จันดีน้องของหลวงตามหาบัวท่านไม่สบายพ่อเลยไปเยี่ยมท่านนะท่านพูดถึงหลวงพ่อให้ลูกสิทธ์ฟังเรื่อยก็เลยไปเยี่ยมท่านท่านถามหลวงพ่อบอกว่าท่านอาจารย์ภาวนามาแบบไหนทหําไมจิตมาลงที่เดียวกันหลวงพ่อก็เล่าให้ท่านฟังเหมือนที่เล่าให้พวกเราฟังนี่แหละว่าหลวงพ่อหัดมาจากรู้ลมหายใจนะรู้ลมหายใจนะเจอท่าน จิตไม่ค่อยสงบรงมานะมันมันเป็นแสงสว่างอยู่ที่จมูกนิดเดียวนี่อยู่ที่จมูกนี่แสงนี้เล็กได้ใหญ่ได้นะอยู่ที่จมูกเนี้ยแล้วแต่เราจะกําหนดเอาอยู่ตรงนี้แล้วเราค่อยรู้ทันจิตนะถ้าอยู่ตรงนี้แล้วจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะไรไปนะเรารู้ทันเลยจิตมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาบอกเริ่มต้นเนี้ยทำสมาธิอย่างนี้ก่อนนะแล้วถึงถัดจากนั้นถึงเจริญปัญญาเจริญปัญญาด้วยการดูจิต หลวงพ่อจเจริญปัญญาด้วยการดูจิตคือเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตและเจตสิก ค, คือธรรมชาติที่เกิดร่วมกับจิตได้แก่ความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นเป็นอันเดียวกันแต่ว่าท่านไม่ได้เริ่มจากลมหายใจท่านเริ่มจากพุทโธอาจารมหาบัวสอนให้ท่านพุทโธนะกําหนดอยู่ที่ริม ปีปากนี่แหละจมูกนี่แหละปลายจมูกนี่แหละพุโทโธพุธโทโธไปนะจิตไหลไปแล้วรู้ทันพุทโธพุทโธนะจิตไหลไปรู้ทันอันเดียวกันสุดท้ายจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงสว่างขึ้นมาพอจิตได้ตั้งมั่นเด่นดวงสว่างขึ้นมาได้สมาธิแล้วนะก็เจริญปัญญาท่านเจริญปัญญาด้วยการดูไกลนะดูไกลเพราะฉนั้นเจริญปัญญาเนี่ยเป็นขั้นอีกขั้นหนึ่ง จะดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้นะจะเห็นสภาวธรรมรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายทํางานสืบเนื่องกันไปเรียกว่ารำมานุปัสสนาก็ได้นะอะไรก็ได้ส่วนในการที่จะฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยก็มีหลายวิธีใช้พุโทโธก็ได้ใช้หายใจก็ได้แต่จุดสําคัญก็คือรู้ทันจิตพุโทโธพุโทโธจิตหนีไปรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปรู้ทันนะถ้าเราฝึกไปเรื่อยนะเราพยายามฝึกเข้าทุกวันทุกวัน แบ่งเวลานะในชีวิตของเราเนี่ยแหละอย่าให้ใจทิ้งเปล่าๆหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปแล้วจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันการที่รู้ทันบ่อยๆเนี่ยเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาตอนที่หลวงพ่อเป็นโยมหลวงพ่อฝึกกระทั่งจิตเนี่ยมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้อยู่อย่างนั้นเลยนะอยู่ได้เป็นวันๆอยู่ได้เป็นเดือนอย่างนั้นเลยนะแต่ว่า ปกติมันตั้งอยู่ได้ไม่เกินเจดวันนะ<ม>ก็เสือเส่อมๆไปหมองๆไปเคลื่อนเคลื่อนไปแล้วก็ต้องทําความสงบพิ่มมใหม่แต่ถ้าเราทําความสงบทุกวันเนี่ยแบ่งเวลาทําความสงบฝึกจิตนะจิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้ฝึกทุกวันทุกวันเนี่ยจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ได้ไปเรื่อยๆนะจนบางทีครูบาอาจารย์บางองค์นะท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่ออย่าลงปูติสิเนี่ยหลวงปูติสิมเจอหลวงพ่อนะท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ทําไมเรียกว่าผู้รู้เราไม่ด้รู้อะไรหรอก เรารู้ตัวใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นเวลาท่านเจอหลวงพ่อท่านะเรียกผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ทําอย่างนี้ผู้รู้ไม่ทําอย่างนี้อะไรเนท oui, ่านจะสอนนะงั้นพวกเรามาฝึกจิตของเราให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้ซะ ก, ก่อนถัดจากนั้นเราก็ค่อยเจริญปัญญาอย่ารีบเจริญปัญญาเอาจิตช่วยช่วยจิตไม่ได้เรื่องไปเจริญปัญญามันก็เป็นปัญญาไม่ได้เรื่องนะปัญญาที่แท้จริงเกิดจากจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องจริงๆ ถ้าจิตไม่มีสมาธิที่ถูกต้องไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีแต่ความสงบอย่างเดียวเจริญปัญญาไม่ได้จริงหรอกนะทำไมจิตที่ไหลไปสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวเจริญปัญญาไม่ได้เพราะมันจะแยกรูปนามไม่ได้มันจะแยกกายแยกใจออกจากกันไม่ได้เช่นเรารู้ลมหายใจนะจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจจิตกับลมหายใจไปรวมกันเนี่ยกายกับใจไปรวมกันเป็นอันเดียวกันแล้วมันไม่แยกกันหรอก แลนะนะสมาธิชนิดที่จิตไหลไปรวมเอข้ากับอารมณ์เนี่ยไม่สามารถเดินปัญญาได้เพราะแยกรูปแยกนามไม่ไดนะ้แต่ถ้าจิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยเราฝึกไปจิตหนีไปเรารู้ทันจิตหนีไปรู้ทันในี่สุดจิตตั้งมั่นขึ้นมาเพราะจิตเราตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่แล้วนะร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยสติรเราลึกรู้เลย <S <S <S <S เห็นเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นะจิตเป็นตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ร่างกายกับจิตจะแยกออกจากกัน มันจะมีความรู้สึกในใจนะว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอนกันถ้าเมื่อเห็นร่างกายกับจิตเป็นคนละอนกันเนเราแยกรูปแยกนามเป็นล้ร่างกายก็เป็นรูปธรรมนะจิตใจเป็นนามธรรมถ้าแยกออกไปอีกให้ละเอียดออกไปอีกร่างกายเป็นธาตุสี่นะธาตุดินธ า, าตุน้ําธาตุไฟธาตุลมนะถ้ า, นะ ถ, าถ้าสมาธิเรามากพอเราจะแยกแยกร่างกายออกเป็นธาตุสีได้แต่ถ้าสมาธิไม่พอจะแยกไม่ออก จนะเห็นไปร่างกายเป็นก้อนๆร่างกายนั่งร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนอนอะนี้ยังเข้าไปไม่ถึงตัวธาตนะุส่วนทางนามธรรมนะแยกรูปแยกนามแยกรูปนี่แยกเป็นธาตุดินน้ำไฟลมพอถึงแยกนามธรรมเนี่ยแยกเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะก็เป็น4อย่างเหมือนกันธนะาตุก็แยกเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลม นามก็แยกเป็นนามสี่อย่างก็คือเวทนาได้เกิดความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาความจําได้ความหมายรู้สังขารความปรุงดีความปรุงชั่วนะเช่นความรอบความโกรธความหลงวิญญาณคือความรับรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางไยทางใจไม่ใช่อยู่นิ่งซึ้บู่อยู่เฉยๆอย่างนี้เราจะเห็นเลยจิตเดี๋ยวก็เกิดที่ตาแล้วก็ดับที่ตาจิตเกิดที่หูดับที่หูจิตเกิดที่ใจแล้วก็ดับที่ใจ จะเห็นนะจิตเกิดดับวนอยู่อย่างนี้จิตที่ไปรู้อารมณ์ทางๆาเขาเรียกว่าวิญญาณนะวิญญาณจิตจับขุวิญญาณจิตเป็นความรับรู้อารมณ์ทางตาเวลาไปได้ยินเสียงนะก็เป็นโสตะวิญญาณจิตเรียกว่าวิญญาณท่านถึงเรียกว่าวิญญาณขันเป็นกองของเป็นกองของวิญญาณเป็นกลุ่มของวิญญาณวิญญาณก็คือการรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเอง จิตที่ไปรับรู้อารมณ์ทางตากับจิตที่ไปรับรู้อารมณ์ทางหูก็คนละดวงกันจิตที่รับรู้อารมณ์ทางหูกับจิตที่รับรู้อารมณ์ทางใจก็เป็นคนละดวงกันและเวลาจิตเกิดนะจิตเกิดทีละดวงนะพวกเราลองซ้อมด้วยการไปหัดดูทีวีที่บ้านให้ดูที่บ้านนะไม่ไปดูที่อื่นเสียเวลาเสียเงินเสียทองไปดูทีวีให้ดีเราจะเห็นว่าบางครั้งเราก็มองรูปในจอบางครั้งเราก็ฟังเสียง เราฟังเราดูเราฟังเสร็จแล้วเราก็กลับมาคิดเพื่อประมวลว่าเกิดอะไรขึ้นนะประมวลข้อมูลทั้งหมดด้วยการคิดงั้นเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดในขณะที่เราดูทีวีนะเรานึกว่าเราเห็นภาพชัดตลอดเวลาความจริงเราเห็นภาพชัดเป็นขณะขณะนะเราเห็นภาพชัดแป๊บเดียวพอเราตั้งใจฟังเสียงขท่รูปที่เห็นในจอนะี่ยเบลอๆไปแล้วนะมันจะเป็นเสียงชัดนะฟังเสียงแล้วก็ใจกลับมาคิด ตอนนี้ทั้งรูปทั้งเสียงไม่ชัดลนะ่ะมันจะมาชัดที่ความคิดของเราเองเนี่ยจิตมาเกิดที่ใจนะเนี่ยมาหัดรู้หัดดูไปเรื่อยคนะืถ้าจิตเรามีสมาธิเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจริงๆนะเราจะเห็นได้อย่างนี้นะความสุขความทุกข์ก็แยกออกไปอยู่ต่างหากนะกุศลอะกุศลก็แยกไปอยู่ต่างหากจิตที่ไปทางตาก็มีจิตเป็นคนรู้จิตที่ไปทางหูก็มีจิตเป็นคนรู้นะคือจิตผู้รู้นั่นเป็นคนรู้ แต่ว่ามันเกิดสลับกันนะขณะที่เกิดจิตที่ตานั้นจะไม่มีจิตผู้รู้ในขณะที่เกิดจิตที่หูจะไม่มีจิตผู้รู้นะจิตผู้รู้เป็นจิตทางใจในขณะที่เกิดจิตคิดอันนี้ก็เป็นจิตทางใจเหมือนกันก็ไม่มีจิตผู้รู้เมื่อใดเกิดจิตคิดเมื่อนั้นจิตรู้ก็หายเนี่ยจิตมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะเราเกิดได้ทีละดวงพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่าดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนเนี่ยจิตลักษณะของจิต การที่เรามาคอยฝึกนะเห็นร่างกายกับจิตแยกออกจากกันทันทีที่ร่างกายกับจิตแยกออกจากกันนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยกายกับจิตจะแยกสติระลึกรู้กายปั๊บนะปัญญาจะเกิดเลยว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้างั้นร่างกายนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาะนี่ยอย่างข้างหน้าหลวงพ่อมีพวงมาลัยเนี่ยพวกเราเห็นพวงมาลัยหมเห็นพวงมาลัยเป็นตัวเราหม ใครเห็นก็เพียนะ้ยนแใช่ไหมต้องปรึกษาจิตแพทย์แล้วนะเห็นไมโครโฟนไหมเห็นไมโครโฟนนะไมโครโฟนไม่ใช่เราใช่ไหมนะถ้าอะไรที่จิตไปรู้เข้านะ่ะมันจะไม่เป็นเราอัตโนมัติเลยถ้าเมื่อไร่ร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะร่างกายจะไม่เป็นเราละนะถ้าความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูความรู้สึกสุขทุกข์จะไม่ใช่เราละนะนะถ้ากุศลอกุศลเกิดขึ้นจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูนะ กุศลอกุศลจะไม่ใช่ตัวเราเช่นความโกรธเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเราจะเห็นได้ว่าความโกรธกับจิตเป็นโคลานกันความโกรธเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเรากระทั่งจิตเกิดดับทางทวารทั้ง6ที่เรียกว่าวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้ามีจิตเป็นผู้รู้เช่นเวลาจิตจิตที่ไปดูเกิดขึ้นนะ พอจิต Menschen, ไปดูเกิดขึ้นเกิดระลึกขึ้นได้ว่าอ้าวเมื่อกี้จิตไหลไปดูไม่จะเกิดจิตผู้รู้ในขนาดนั้นจิตดูดับไปแล้วนะจะเกิดอย่างนี้จะมีจิตเป็นผู้รู้ถ้าเมื่อไรมีจิตเป็นผู้รู้ตรงที่ดูจิตเนี่ยมันจะเห็นว่าจิตที่เพิ่งดับไปสดสดร้อนๆ recovery, นั้นไม่ใช่ตัวเราหรอกนะจะเห็นตัวที่ดับไปสดสดร้อนๆไม่ใช่ตัวเราไม่เหมือนดูกายนะดูกายมันจะรู้สึกเลยตัวที่กําลังปรากฏอยู่สดสดร้อนๆนี่แหละไม่ใช่ตัวเราแต่ดูจิตน่ยมันจะดูตามหลังตลอดเวลาเพราะอะไร เพราะจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปมันเกิดอีกดวงหนึ่งขึ้นมาไปรู้ทันว่าดวงก่อนนั้นเป็นอย่างไรนะมันจะดูตามหลังไปอย่างจิตดวงแรกมันไปดูรูปนะเกิดจิตอีกดวงหนึ่งไปรู้ทันว่าเมื่อกี้จิตหลงไปดูขณะจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้หลงไปดูนัเป็นขณะที่เป็นปัจจุบันแล้วส่วนไอ้จิตที่หลงไปดูนั้นดับเรียบร้อยไปแล้วเพราะฉั้นเวลาที่เราดูจิตจริงๆเนี่นเราจะดูตามหลังนะแต่ตามติดๆเลยไม่ใช่เมื่อวานนี้โกรธวันนี้รู้ว่าเมื่อวานโกรธอย่างนี้ไม่ได้นะ ห่างมากเลยไม่เห็นร่องรอยไม่เห็นฝุ่นอย่างนี้ใช้ไม่ได้ต้องดูแบบสดสดร้อนๆในกําลังโกรธอยู่นะกำลังโกรธมากๆเลยนะสติะระลึกปั๊บจิตเป็นคนดูนะจะเห็นจิตที่โกรธเนี่ยดับตรงต่อหน้าต่อตาเลยเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาแทนเลยนะพวกเราค่อยฝึกถ้าเราได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยเวลาที่สติะระลึกรู้กายเราจะเห็นว่ากายไม่ใช่เรา มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสติระลึกรู้เวทนาคือความสุขทุกข์ทางกายความสุขทุกข์ความเฉยๆทางใจก็จะเห็นความสุขความทุกข์ความเฉยๆอะไรเนี่ยไม่ใช่ตัวเราสติระจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่สติระลึกรู้เห็นความขยันเนี่ยมีวิริยะอยากอยากปฏิบัติขยันปฏิบัติจะเห็นเลยความขยันก็ไม่ใช่เราความขี้เกียจก็ไม่ใช่เรา ความโลภความโกรธความหลงก็ไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองนี่เราค่อยๆฝึกไปเรื่อยแต่ไปก็เห็นนจิตที่เกิดที่ตาก็ไม่ใช่ตัวเราจิตที่เกิดที่หูก็ไม่ใช่ตัวเราจิตที่เกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจก็ไม่ใช่ตัวเราสุดท้ายจะเห็นว่าตัวเราไม่มีการที่เราหัดเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือเจริญปัญญานั้นนะเพื่อล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขานะงั้นเรามาหัด ฝึกให้ได้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเช่ก่อนแล้วคนไหนถนัดดูกายก็ดูกายเป็นฐานเป็นหลักไว้ก็จะเห็นว่ากายนั้นเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนดูกายไม่ใช่ตัวเราไอ้จิตที่เป็นคนดูก็ไม่ใช่เราเพราะงั้นเวลารู้เนี่ยรู้หมดเลยนะไม่ใช่ว่าดูกายแล้วไม่เห็นจิตนะความจริงดูกายก็เห็นจิตดูจิตก็เห็นกายเพราะจิตนี่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอาศัยกายนั่นแหละ เช่นตามองเห็นรูปจิตก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนนะกายกับจิตมันเป็นของเรื่องกันอยู่งั้นที่บอกว่าเอาอันใดอันหนึ่งเป็นฐานน่นไม่ได้แปลว่าไม่รู้อีกอันหนึ่งเอากายเป็นฐานไม่ใช่แปลว่าไม่รู้จิตเอาจิตเป็นฐานไม่ใช่แปลว่าไม่รู้กายถ้าเอาจิตเป็นฐานแล้วไม่รู้กายก็คือการเพ่งจิตเอากายเป็นฐานแล้วไม่รู้จิตก็คือการเพ่งกายนะเพ่งเราก็ไม่เกิดปัญญาต้องมันต้องแยกกันต่างคนต่างทํางานอยู่ค่อยๆฝึกไป ความยากลำ บ, บากของผู้ปฏิบัติอยู่ตรงที่เราไม่ได้พัฒนาจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญานั่นแหละถ้าเราได้ผ่านขั้นตอนจิตสิกขาใช่ก่อนนะฝึกจนจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาชก่อนแล้วก็ถึงเวลาที่จ ะ, จ ะ, จ, ะจะเจริญปัญญาแล้วนะจะเดินจงกรมมันจะเห็นเลยร่างกายที่เดินอยู่ไม่ใช่ตัวเรา เลิกเดินจงกลมแล้วเดี๋ยวจะเดินไปขึ้นรถเมล์กลับบ้านเห็นร่างกายที่เดินไปขึ้นรถเมล์นั่นแหละไม่ใช่ตัวเรานะทำได้ทุกอิยทยิบาตเลยทำได้ในทุกการทุกสถานที่ไม่เลือกเวลายกเวน้นยกเว้นเวลาหลับเวลาหลับกับเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดนะสองเวลานี้เจริญสติไม่ได้แต่เวลาหลับเนี่ยถ้าเราฝึกสติของเราให้เชี่ยวชาญตอนตื่นนะเวลาหลับจิตมันปฏิบัติของมันเอง นะบางทีสมาธิก็เกิดในในตอนหลับได้นะสติเกิดในตอนหลับได้บาที่ความรู้ความเข้าใจเกิดตอนหลับอยู่ก็ได้มีเหมือนกันนะเพราะตอนหลับตอนตื่นนะจิตขึ้นวิถีได้อย่างเดียวกันแต่ว่าตอนหลับเนี่ยเขาเรียกสุบินวิถีนะเรียกว่าสุบินวิถีฝันนั่นแหละจิตก็ขึ้นมาทํางานนะถ้าจิตมันคุ้นเคยที่มีสติแล้วพอฝันร้ายปุ๊บสติระลึกปั๊บเลย นะฝันเห็นว่าเมียมาตามกลับบ้านนฝันร้ายมากเลยนะกำลังจะไปเที่ยวกับอีหนูเออมียมาตามกลับบ้านนฝันร้ายมากเลยนะกลัวมากเลยอีกแก่มันเอาตายแน่วันนี้นะสติระลึกปั๊บเลยเห็นความกลัวนะความกลัวขาดเลยนะความกลัวขาดปุ๊บนะไปนอนอยู่ที่ไหนก็ต้องรีบกลับบ้านแนละ้ศีลธรรมมันเกิดนะงั้นพวกเรามาฝึกนะฝึกให้ได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ถ้าเราไม่ได้จิตชนิดนี้เราเดินปัญญาไม่ได้จริงนะรูปนามคันห้าจะไม่แยกออกจากกันถ้ารูปนามคันห้าไม่แยกออกจากกันเนี่ยเราไม่สามารถล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้เราจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้นะกายต้องอยู่ส่วนกายแล้วเห็นว่ากายไม่ใช่เราเวทนาอยู่ส่วนเวทนาแล้วก็เห็นว่าเวทนาไม่ใช่เราสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ส่วนสัญญาสังขารวิญญาณนะไม่ใช่เราต้องฝึกอย่างนี้นะ ถ้าแยกธาดแยกขันธ์ไม่เป็นนะไม่ได้เจริญปัญญานี่ครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้เลยนะต้องแยกธาตุแยกขันธ์ได้นะถึงจะเจริญปัญญาได้ถ้าไม่เจริญปัญญาก็ยังมาอวดเลยว่าจะได้มรรคไดผลไม่มีทางหรอกทําสมาธิเรื่อยๆนิ่งๆให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวจ้างให้ก็ไม่ได้มรรคผลนิพพานนะอีกกี่ปีกี่ชาติก็ไม่ได้ได้อะไรได้แต่ความสงบตายแล้วไปไหนถ้าตายแล้วทรงฌานอยู่ก็ไปเปรตมัโลก ถ้าตายแล้วไม่ได้ทรงชานนะในขณะที่ตายไม่ทรงชานไม่เกิดในสวรรค์นะนิมมานนรดีบ้างปารนิ ม, มิตวัตสวัตตีบ้างเป็นสวรรค์ชั้นสูงเลยนะพวกนี้แต่ละคนนี้มีฤทธิ์มีเดชเยอะนะแต่ว่าตอนตายเนี่ยไม่ได้ทรงสมาธิอยู่สมาธิตกไปตอนนั้นก็เลยไปเกิดในสวรรค์แทนพระนาคามีเกิดในสวรรค์ได้ไหม ใครตอบได้บ้างเกิดไม่ได้เพราะไม่มีการรมแนละ้วสวรรค์เป็นกามอวจรนะพระนาคาไม่เกิดในกามอภูมิต้องเกิดในพรมสุดทาวารวดไหมไม่ต้องเกิดได้แต่พรมชั้นที่หนึ่งนะพรมปริสัชชาขึ้นไปนะพวกที่ว่าพรมสุทาวาวดสุดทาวารวดเราพูดมักง่ายว่าพระนาคาไปอยู่สุดทาวารพระนาคาที่อยู่สุดทาวารได้ต้องได้ชั้นสะี่แล้วก็ ต้องอินทรีย์แก่กล้าด้วยนะถือจะขึ้นไปสุดธาวราได้ถ้าอย่างพวกเราถ้าเป็นผ้านาคานะพวกเราไม่ได้ทรงชาญอย่างเนี้ยเวลาตายไปนะโน่นพรมชั้นล่างสุดเลยเบสิกเลยพรมบริษัทนะเนื่อพรมบริษัทพรมปาริสัตช์เช้ารบริษัทพรมรล้วล้อนะนะไม่ใช่ว่าต้องขึ้นสุดถาวรานะจิตนั่นแหละจำแนกจิตเป็นเครื่องจำแนก ภพภูมิของเรานะแต่ถ้าเรามาฝึกจิตจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเจริญปัญญาไปนะแยกาธาตุแยกขันธ์ไปการเจริญปัญญานั้นทิ้งการแยกาธาตุแยกขันธ์ไม่ได้นะต้องแยกกายแยกใจออกจากกันไปแยกเวทนาออกไปแยกสัญญาแยกสังขารออกไปวิญญาติอยู่ต่างหากแล้วก็เห็นแต่ละอันแต่ละอันนั้นเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา จะเกิดปัญญาเห็นว่ามันไม่ใช่คนใช่สัตว์ใช่เราใช่เขาได้จิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานเพราะฉะนั้นจิตตั้งมั่นนี่แหละถึงทําให้ขันแยกได้จิตตั้งมั่นนี่แหละถึงทําให้เกิดปัญญาเข้าใจขันแต่ละขันว่าไม่ใช่ตัวเราได้เพระฉนั้นถ้าไม่มีจิตที่ตั้งมั่นก็คือไม่มีสมาธิที่ถูกต้องปัญญาจะไม่เกิดนะแต่ถ้าเป็นมิจฉาสมาธินะอย่างหลวงพ่อหัดนะเป็นมิจฉาสมาธิจิตสงอบอยู่ในโลมันเดียวนิ่งๆอยู่นะสงบนิ่งอยู่เฉยๆ ทีแรกคือออกนอกที่ออาข้างนอกเนี่ยมิจฉาสมาธิขนานแท้เลยต่อมาฝึกเป็นสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่เฉยๆแต่ไม่รู้วิธีเจริญปัญญานะก็ไม่เกิดปัญญาวิธีเจริญปัญญานะั้นพอจิตเราตั้งมั่นแล้วเนี่ยต้องปล่อยให้สติมันทํางานให้มันระลึกรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมไปนะจะระลึกอะไรเป็นฐานก็ระลึกไปต้องมีฐานสักอันหนึ่งก่อน คนไหนถนัดดูกายก็เห็นกายเนี่ยมันยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนเห็นกายหายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจออกหายใจเข้าคนไหนถนัดดูจิตดูใจก็ดูไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายความสุขความทุกข์ความดีความร้ายและความรับรู้ทั้งหลายไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยหัดดูไปอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าการเจริญปัญญานะไม่ใช่มากง่ายนะออเขาบอกว่าไม่ยึดมั่นไม่ยึดมั่นบางคนบอกว่าไม่ต้องปฏิบัติหรอก ศีลสมาธิปัญญาไม่สําคัญไม่ต้องปฏิบัติพระละหันนะ่าปล่อยวางศีลสมาธิปัญญาหมดแล้วเพะะั้นเราปล่อยเลยเราก็เป็นพระลระหันหันลงเวจีเฉยเลยนะกิเลสท่วมหัวอยู่นั่นนะแล้วบอกว่าไม่เอาศีลสมาธิปัญญาทิ้งไม่ได้เลยนะอยู่ก่อนๆที่มันจะไปปล่อยวางทุกสิ่ ง, ท, งทุกอย่างนะปัญญามันต้องแก่รอบก่อนมันเห็นความจริงของกายของใจของรูปของนามก่อนมันถึงจะไม่ยึดมั่นไม่ใช่อยู่ๆก็บอกว่าไม่ยึด พูดอยู่ๆบอกไม่ยึดไม่ยึดนะแต่มันยึดแหละนะยังไงมันก็ยึดเพราะว่าอาวิชามันยังอยู่นัเราต้องมาภาวนานะแยกธาตุแยกขันให้ได้มีจิตตั้งมัน่นแล้วแยกธาตุแยกขันแล้วดูมันทํางานไปจะเห็นมันแสดงใจลักษตลอดเลยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดูมันไปซ้ําแล้วซ้ำอีกมันจิตมันยอมรับความจริงได้มันก็ได้ธรรมะเมื่อนั้นแหละนะไม่ใช่อยู่ๆก็ปล่อยวางอย่ายึดถือพูดง่ายทําไม่ได้หรอก อย่างเราเห็นคนที่ทุกข์มากๆสักคนนะอย่างคนถูกน้ําท่วมบ้านเนี้ยเราก็ไปปรอบเขาอย่ากังวลเลยน้ําท่วมบ้านเดี๋ยวมันก็ไปทุกข์ไหมหายไหมมันจะเตะเอาบอกบ้านมึงไม่ท่วมบ้านกูท่วมนะอ๋อมันไปอย่างนั้นนะออยู่ๆไม่ยึดไม่ได้มันยึดอยู่แล้วมันจะเลิกยึดต่อเมื่อมันเกิดปัญญาเห็นความจริงนะไม่ใช่ตัวเรานะแล้วก็สิ่งที่มีอยู่ทั้งรูปธรรมนามธรรมนั้นน่ะมีแต่ทุกข์ล้วนๆนะ ถ้ามันเห็นทุกข์ล้นนเมื่อไรมันไม่ยึดของมันเองหรอกแต่ถ้ามันยังเห็นยังกายเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างใช่ไหมที่เรารู้สึกอ่ะจิตของเราตอนนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างใช่ไหมยังไงก็ไม่ปล่อยมันยังมีสุขให้เลือกอยู่จะจะหนีทุกข์จะหาสุขไม่เลิกหรอกยังไงก็ไม่เลิกอย่ามาอ้างเลยว่าไม่ยึดถือยังไงก็ยึดนะงั้นพระพุทธเจ้าสอนวิธีที่ไม่ยึดถือไม่ยึดถือเนี่ยมันเป็นผลแล้วต้องทําเหตุ เหตุก <World> <at> ็คือการที <t> ่เรามาพัฒนาศีลสมาธิป <t> ัญญาขึ้นมาให้ถูกต้องนะสมาธิก็คือจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยต้องฝึกขึ้นมาเจริญปัญญาเขาแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์แล้วดูแต่ละธาตุแต่ละขันธ์มันทํางานไปนะแต่ละอนุชนจะตกอยู่ใต้ใจรักทั้งนั้นเลยดูไปจนจิตมันแจ้งขึ้นมานะมันก็ปล่อยวางของมันเองถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกนะต้องเห็นทุกข์ถึงจะเห็นธรรมนะสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือรูปนามกายใจของเรานี้แหละ ใครๆก็เกลียดทุกข์ใช่ไหมอยู่ๆก็น้อมจิตไปอยู่ในความว่างน้อมจิตไปอยู่ในความว่างมีแต่ความสุขไม่ได้รู้ทุกข์เลยนะไม่ได้เดินในร่องรอยของพระพุทธเจ้าแต่เดินในร่องรอยของเดี๋ยวละทีนะนระหว่างนะคำสอนเพี้ยนเพียนี่มันมากมายไปหมดแล้วดนั้นต้องรู้หลักให้แม่นว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรท่านสอนให้รู้ทุกข์ทุกข์ก็คือกายใจของเรารูปนามนี้เองนะวิธีที่จะรู้ได้ต้องมาฝึกจิตให้ ให้ตั้งมั่นซะก่อนถึงจะเจริญปัญญาได้การรู้ทุกนั่นแหละเรียกว่าการเจริญปัญญาก่อนจะเจริญปัญญาจิตต้องสรงสมาธิที่ถูกต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและไม่ได้เบิกบานอยู่เฉยๆรู้ตัวอยู่เฉยๆนะต้องดูกายดูใจมันทํางานด้วยถ้ามันไม่ยอมดูมันรู้ตัวอยู่เฉยไม่ยอมดูนะให้น้อมจิตไปเลยคิดพิจารณาไปเลยนะแต่ถ้ามันไปดูแล้วเนี่ยไม่ต้องคิดพิจารณานะมันจะเห็นของมันเองเลยเพั้นบางอาจารย์ท่านบอกให้พิจารณก่อน ก็ถูกของท่านอันนั้นหมายถึงพวกที่ทําสมาธิจนจิตนิ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานแล้วเฉยๆไม่ยอมเจริญปัญญาอันนั้นต้องน้อมใจเข้าไปคิดพิจารณากระตุ้นให้มันหัดดูความเป็นไตรลักษณ์ของธาตุของขันธ์ของกายของใจนะแต่ถ้าจิตมันเจริญปัญญาได้เองแล้วอย่าไปคิดยิ่งคิดยิ่งช้านะยิ่งคิดยิ่งช้าดูของจริงเข้าไปเรื่อยๆวันนี้เทศรู้เรื่องไหมชุดหลักเลยก็คือฝึกจิตให้ถูกนะฝึกจิตให้ถูก ให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาให้ได้วิธีที่จิตจะเป็นผู้รู้ผู้ดูก็คือรู้ทันจิตที่หลงไปคิดน่ะพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหรือจิตไหลไปเพ่งลมหายใจรู้ทันถ้ารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปหลงผู้ดูเรีกจิตออกนอกถ้ารู้ทันจิตออกนอกหรือจิตที่เคลื่อนไปจิตผู้รู้มันจะเกิดนะแล้วก็ฝึกให้ชำนิชำนาญแล้วก็พอรู้ตัวได้นะค่อยๆสังเกตดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายคอยรู้ไป ร่างกายเดี๋ยวหายใจออกหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์อะไรเงี้ยดูไปนะหเห็นปัญญามันแจ้งขึ้นมากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของพิเศษไม่ใช่เราด้วยไม่ใช่ของดีของวิเศษก็ปล่อยนะไม่มีทางเลือกหรอกต้องทําอย่างนี้แหละนะไม่ทําสมัยนี้ก็รอไปทําสมัยพระศ ร, รียะเมตรัยเอาแต่ถ้ายุคนี้ได้ฟังธรรมะถึงขนาดนี้แล้วยังไม่ทํานะไปถึงพระเมตรัยก็ไม่ทําอีกเพราะติดนิสัยขี้เกียจ ทนะีนี้ใส่ท้อแท้หดหูไม่สู้ตายทำมาต้องสู้นะมาป้าๆแป้แ ป, ป, ปหวังเอาแล้วมาฟังหลวงพ่อประโมทไดนะ้ต่อไปอานิสสงไปเจอพระศรีอานแล้บรรลุง่ายโงูดนะสิบรรลุอะไรถ้าไม่ฝึกนะนะตอนตอนนี้เหลวไหลตอนหน้าก็เหลียวไหลอีกเหลีวไหลกว่านี้อีกหลวงปูด่ดูลบอกมันเคยชินนะเพราะงั้นต้องฝึกตั้งแต่วันนี้เลยนะถ้าพวกเราได้มากได้ผลในสมัยพระโคดมได้เนี่ยได้ไปเลยไม่ต้องไปรอ ถ้าคนไหนไม่ได้ก็ตั้งใจไว้พระพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติขึ้นเมื่อไหร่นะขอให้ได้ฟังทำตั้งใจต่อไปอีกกนะ็พระศีรยาเมตไตรท่านก็มารับช่วงทัดจากท่านไปก็มีอีกนะถ้ายัางขี้เกียจก็ปลอบใจตัวเองไปว่าพระพุทธเจ้าไม่สิ้นสุดหรอกนะปลอบใจตัวเองไปเรืนะ่อยๆวันนี้เอาเท่านี้นะน้มัสการครับหลวงพ่อส่งกันบ้านในรอบหกเดือนครับ คือว่าครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะครับจิตออกนอกครั้งนี้อยากให้หลวงพ่อขนาบให้เต็มที่เลยครับเอางั้นเลยนะครั บ, ใ, รบใจถึงจริงนะครับจิตคะแนนนี้ถึงฐานไหมไ ม, มันตื่นเต้นนะครับเออตื่นเต้นแล้วจิตอยู่ที่ไหนมันออจิตอยู่ ข, ข้างในหรือจิตอยู่ข้างนอกกระจายออกอ S. <S ๋กอ Vog. จิตกระจายออกนอกนี่จิตออกนอกจิตออกนอกแล้วรู้ทันว่าจิตออกนอกดีแล้วพยายามดึงมาไหม ยายาเออถ้ารู้ทันก็พยายามดึงอยู่ดีถ้าพยายามแล้วไม่รู้ว่ากำลังพยายามใช้ไม่ได้นะเพราะงั้นได้คำตอบได้ช่งวินยยชนจะรู้คำตอบด้วยตนเองได้คำตอบแล้วครับจิตไม่ถึงฐานครับนะให้รู้ทันกพุโทโธไปพุโทโธไปรู้ทันจิตออกนอกอะไรเงี้ยหายใจไปรู้ทันว่าจิตออกนอกอย่าดึงถ้าดึงให้จิตเข้าฐานแล้วก็จะแน่นเกินไป <น>เวลามันดึงมันก็ดึงของมันเองอะครับเออมันดึงเองนะ เ, นเพราะมันมันรักดีมันรัก ด, กดีหามจัว่วจั่วหนักนะ <c oughs> แต่เบื้องต้นก็ต้องอย่างนั้นแหละทำถูกแล้ว <c oughs> นะค่อยฝึกไปเจนจิตมันเป็นผู้รู้จริงๆเลยเอาไว้วันหลังถ้าเจอหลวงพ่อหลวงพ่อเรียกผู้รู้ผู้รู้มานี้มานี้นะเออใช้ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> ถ้าหลวงพ่อเรียกผู้หลงผู้หลงว่าไงอยะเงนี้นใช้ไม่ได้ หลวงพ่อถ้าจะขออนุ ญ, ญาตมาส่งกันบ้านหลวงพ่อสักปีละสองครั้งจะรบกวนหลวงพ่อเกินไปไหมครับไม่เกินหรอกนะเดี๋ยหาหที่ส่งให้ได้ก็แล้วกันเพราะหลวงพ่อเขมีหน้าทีต่ตอบนะบเพราะเมียนรู้สึกว่าผมจะเฉยเฉยเกินไปครับถ้าไม่ตั้งเป้าว่าจะมาส่งมีเพื่อนภาวนาด้วยกันไหมไม่มีครับเออนะภาวนาคนเดียวบางทีมันก็เหงานะะก็เฉยบ้างทะเลทะลายบ้างเวลาเราภาวนาถ้าเรามีกัลยาณมิตรนะคอยกระตุ้นเตือนกัน แต่ไม่ใช่กระรยาญนะไม่ชวนกันไปร้องคาราโอเกะอะไร้ยนะไม่ใช่นะ <c oughs> ตอนหลวงพ่อภาวนานก็มีเพื่อนภาวนานด้วยกันภาวนานกันสองคน <c oughs> ไปหาครูบาอาจารย์ด้วยกันไม่ได้แข่งกันนะแต่ว่ามันจะกระ ต, ตุ้นเตือนซึ่งกันและกันพราะคนหนึ่งขี้เกียจนะเราเห็นเขาขยันนะเราก็อยู่ไม่ได้แนละ้วเราก็ต้องขยันบ้างอย่าไปคบคนที่สติแตกอย่าไปพบพวกหลงโลกเลือกคบคน นะเราคอบคนที่เจริญสติเจริญปัญญาสติปัญญาเราจะเกิดง่ายเราครบคนชนิดไหนเราจะเป็นคนชนิดนั้นนะงั้นเราเลือกรู้จักเลือกครบคนนะหลวงพ่อครับขอคําถามสุดท้ายครับคือว่าอยากให้หลวงพ่อแนะนําว่าจริตอย่างผมจะเหมาะกับสมถะอย่างไหนดีว่าเพราะว่าคือรู้สึกว่าจิตคือเมื่อมีนาคมมานะครับไปเข้าข อ, อาสจครับ แล้วไปเจออาดําเกิงนะครับแล้ว<ม>เล่าให้อาเขาฟังว่าคือขณะที่นั่งฟังเทศทัศน์อยู่นะครับจิตรู้สึกว่ามันโดดไปโดดมาค่อนข้างเยอะครับ<ม>แต่ว่ามันรู้ตัวได้เยอะกว่าปกตินะครับ<ม>ก็อาเขาก็บอกว่าจิตยังผมอะผาดโผนนั่นเองครับก็เลยแล้วผมก็รู้สึกว่าผมก็ทําสมาธิไม่ค่อยลงอะไรครับอ<ม>ือยากให้หลวงพ่อแนะนําสักนิดนึงนะครับอาดําเกิงก็เพิ่งไปเรียนกับหลวงพ่อเ ม, าามาาอื่อวานเมื่อวานนวันศื่นนึ่ง แต่ของคุณนะมันเป็นพวกคิดมากพวกทิฏฐิจริตทิฏฐิจริตเนี่ยจะให้จิตลงไปรวมนานๆเนี่ยไม่รวมหรอกนะเพราะงั้นเราต้องใช้ความคิดนั่นแหละใช้กรรมฐานที่คิดเอาเช่นคิดถึงพระพุทธเจ้านะหรือคิดถึงร่างกายคิดถึงกระดูกนะคิดถึงกระดูกในกายใยๆหนะเมื่อวานสอนพระองค์หนึ่งนะบอกว่าให้ท่านดูไขมัน แล้วก็ให้ยทำไมไปสอนท่านอย่างนั้น嘛เราก็ดูแล้วก็งงอ๋อจริงๆท่านกลัววั่นงงเป็นพระกลัววั่นนะทุกวันเวลาอยู่คนเดียวก็จะแอ บ, บจับ<笑>ถ้าแค่นี้หลวงพ่อจับไม่ได้ต้องอย่างนี้<笑>นท่านกลัววนนะั่นใจมันกังวลนะแล้วก็ใจมันรักรูปรักโฉมนะบอกดูไขมันนะท่านนี้สะเทือนใจมากเลย<笑> หลวงพ่อสั่งให้ดูไขมัน ท, นท่านท่านครูบาอาจารย์สั่งทำจริงๆนะท่านจับเลยจับจับจิตรวมปุ๊บเลยนะเข้าฐานเลยต่านโอ้จิตไม่รวมอย่างนี้มานานแล้วเพราะกลัวไขมันของคุณไปดูกระดูกไปขอบพระคุณครับกรั บ, บ น, นมสการเจ้าค่ะไม่เคยส่งกันบ้านนะคะอาศัยฟังซีดีมาได้สองปีแล้วอะค่ะปกติก็ปฏิบัติในการดูลมแล้วก็ ทำในรูปแบบตอนกลางคืนน่ยนะคะแล้วก็ในชีวิตประจําวันก็พยายามที่จะปฏิบัติเท่าที่จะรู้สึกตัวนะคะช่วงนี้ก็มีสภาวะกลับมาวนอีกครั้งนึงก็คือรู้สึกว่าเบื่อซึ่งเคยผ่านกันเบื่อมาแล้วแต่ช่วงนี้จะเบื่อนานมากๆแล้วก็ตกกลางคืนเวลาปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยมันจะจะหลับบ่อยคือคือหลับทั้งทั้งที่หลับจริงๆแล้วก็เห็นกายมันหลับเจ้าค่ะแล้วก็มันเหมือนไม่ก้าวหน้าเจ้าค่ะเออนะ จิตมันเบื่อก็อย่าให้มันครอบจิตก็แค่รู้ว่ามันเบื่อนะแล้วก like ็ภาวนาไปกายมันหลับก็ให้มันหลับไปใจเราก็ก็ดูไปด้วยถ้าพอสมาธิเราพอสติเราแรงพอมันจะเห็นกายมันหลับจิตมันตื่นนะเวลาภาวนาเนี่ยพอเราเห็นทุก์เนี่ยมันจะเบื่อพอเบื่อแล้วเนี่ยทางหนีของจิตก็คือไม่รับรู้อารมณ์หนีไปหลับถ้าหนีเข้าฌานได้มันก็หนีเข้าฌานถ้าหนีเข้าฌานไม่ได้มันก็หนีไปหลับนะ เพราะนพวกเราอยากรู้ว่าชานรสชาติเป็นไงนะก็คล้ายๆหลับนะแต่มันประณีดประหลับเมื่อหลับมันยังดิ้นไปดิ้นมาเราะนั้นไม่ต้องตกใจนะมันเป็นยังไงก็แค่รู้เท่านั้นเองมันก็เป็นช่วงหนึ่งเท่านั้นแหละยังไงก็ไม่ท้อถอยนะเบื่อก็เบื่อเบื่อก็เบื่อไปเบื่อก็จะภาวนาขี้เกียจก็จะภาวนานะขออย่างเดียวว่าไม่เลิกเท่านั้นแหละกิเลสสู้เราไม่ได้หรอกใหนะ้กิเลสมันยังมาหลอกเราว่าท้อแท้แป้อแแปะ เดี๋ยวนี้ดีนะไม่มีใครมาขอกําลังใจกับหลวงพ่อสมัยสอนแรกๆนะคนชอบมาขอขอกําลังใจออกไปลงนรกก็ไป <c oughs> อ่อกระทั่งไฟไหม้หัวอยู่แล้วนะไฟไหม้บ้านอยู่แล้วไม่ยงังยศมาขอกําลังใจท้อแท้ไม่อยากวิ่งออกจากบ้านที่ไฟไหม้โง่สินะแล้วถ้ามันรู้ว่าสังสารวัตเป็นทุกข์เป็นโทษจริงๆนะมันจะวิ่งอย่างรวดเร็วเลยวิ่งไม่รู้ทางออกเลยออกประตูไม่ได้ออกหน้าต่างก็ยังดีอ่อ <c oughs> เพราะงั้นเราดูไปนะสังสารวัตเนี่ยวายใจไม่ได้นะหนูไปดูนะถ้าเราเห็นว่าสังสารวัตนี้น่ากลัวสังสารวัตรวาใจไม่ได้เนี่ยใจมันจะไม่ท้อทแท้เลยมันจะมีกําลังออกจากวัฏฏะนะของหนูตอนนี้ยมันยังเห็นภัยของสังสารวัตไม่พอไปสู้นะอกลาวนะมันส ก, การหลวงพ่อคะ่ะ ก็คือว่าหนูเมื่อสิงหาปลายปีสิงหาเออเมื่อปลายปีนะคะเดือนสิงหาที่ผ่านมา mm hmm. หนูเพิ่งได้เห็นความทุกข์ใน mm hmm. ชีวิตนะคะเพราะว่าได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคมะเร็ง mm hmm. แล้วก็อยู่ในขั้นที่สาม mm hmm. แล้วก็คือว่าที่ผ่านมาก่อนที่จะเป็นมะเร็งนะคะก็ได้ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติเองอยู่บ้างก็คือว่าพยายามรูกายรู้ใจในชีวิตประจวาวัน mm hmm. แล้วก็ ถ้าเป็นเรื่องของสมาธานั่งสมาธิก็ก็รู้ลมหายใจเข้าออกเวลาเผลอจากลมหายใจข้อก็กลับมาดูลมหายใจเหมือนเดิมแต่ว่าก็ยอมรับค่ะว่าปฏิบัติไม่ค่อยสม่ำเสม อ, อมวันนี้ก็เลยตั้งใจมาขอกัรบ้านหลวงพ่อค่ะขอคําแนะนําว่ามันก็เป็นบุญห<ป>น้ามันก็เป็นบุญที่ป่วยค่ะถ้าเราไม่ป่วยเรากคงอาจจะเปลิ่นกับโลกอีกนานใช่ค่ ะ, <น>ะเราก็รู้สึกอย่างนั้นงั้นเราป่วยไม่เป็นไรขั้นที่สามสู้ไหว นะได้โอกาสแล้วก็ภาวนาวพยายามฝึกกายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตนะดูกายบ่อยๆเรารักกายนะเรารักกายรักสวยรักงามรักอะไรเงี้ยรักมากเมื่อนะเรารักกายมากเนี่ยดูกายบ่อยๆกายนี่มีแต่ทุกข์นะนั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์คอยดูความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายเนืองๆนะแล้วก็สังเกตเข้าทันจิต เช่นพอไกลมันทุกเห็นทุกมากมากแล้วจิตท้อแท้เบื่อหน่ายให้รู้ทันเข้าไปที่จิตจิตเกอจะสลัดความท้อแท้เบื่อหน่ายออกไปเข้มแข็งขึ้นมาอีกดูกายทํางานไปเรื่อยนะถ้าดูอย่างนี้ได้นะดีที่สุดเลยเกิดจากพลาดจ ะ, ะจบผูเราลดความตายสมมุตินะไม่เป็นมะเร็งอนะ่ะบางคนจามาหัวเราเห็นคนอื่นว่าเป็นมะเร็งนะอาจจะลดความตายก่อนมะเร็งอีกกนอะ ตอนที่ลดกว้างอะไรเนี่ยถ้าเราฝึกไว้ดีนะเราเห็นในร่างกายมันกลิ้งไปใจเราอยู่ต่างหากนะไม่ตกใจนะเห็นร่างกายมันคอหักไปใจมันเฉยๆนะฝึกไว้จนชนํชนานิชํานาญเลยไม่ว่าจะตายในนาทีใดก็พร้อมนาทีนั้นเลยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใค่อยฝึกแปะเห็นร่างกายมันเดินเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันนอนนะดูเรื่อยๆแล้วก็มันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา ตรงที่เห็นทุกเนี่ยต้องกล้าหารมากในการดูเพราะว่าความรู้สึกทุกเนี่ยจะครอบงาจิตง่ายนะให้เรารู้ทันเวลาจิตมันท้อแท้ขึ้นมาจิตมันเกลียดกลัวทุกข์ขึ้นมาให้รู้ทันลงไปจิตจะเข้มแข็งพอจิตเข้มแข็งเรียนรู้กายเรียนรู้ทุกของกายต่อไปอีกนะอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติที่แบบหักโหมเลยนะสู้กับกิเลสตรงๆเลยค่ะก็หนูก็รู้สึกเหมือนกันค่ะว่าความทุกเวลามีความทุกทางกายนี่สาหรับหนู คือรู้ยากกว่ามีความผูกทางใจเพราะว่ารู้สึกว่าทพอเราพลมาเราคือจะเหมือนว่าฟูงสั้นมากนะเพราะเราต้องหัดตั้งแต่ทุกเล็กๆทุกทางกายเล็กๆนี่มีอยู่ทั้งวันเช่นนั่งแล้วเมื่อยนั่งแล้วเมื่อยเราก็เห็นในร่างกายนั่งความเมื่อยเป็นอีกสิ่งหนึ่งจิตเป็นอีกสิ่งหนึ่งหัดอย่างนี้เรื่อยๆนะเดี๋ยวก็ปวดตรงนั่นเดี๋ยวก็เมื่อยตรงนี้นะเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเห็นแต่ทุกวนเวียนอยู่ในร่างกายนี้แหละ นะแล้วก็จิตเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางคอยรู้ทันไปนะการหัดรู้ทุกข์ในกายให้ชํชนานิชํานาญเนี่ยดีมากนะเพราะว่าพวกเราทุกๆคนเนี่ยเราไม่รู้ว่าเวลาที่เราจะตายเนี่ยเราจะเจ็บแค่ไหนถ้าเราไม่เคยฝึกรู้ทุกข์อยู่เลยนะถึงคราวสติแตกเลยสู้ไม่ไหวยัเว้นแต่ฝึกไว้ชํานาญนะเวลาจะตายจริงเนี่ยจิตมันดีดออกมาเองเลยนะ ออกมาเป็นคนดูเห็นร่างกายกำลังชักกระแดกกระแดกอยู่นะจิตเป็นคนดูอยู่เห็นหมอวิ่งไปวิ่งมาเห็นพยาบาลตกใจอาจจะต้องไปสะกิดพยาบาลใจเย็นๆะนีแต่เขาอาจจะไม่รู้สึกน ะ, นะฝึกจิตของเราไว้ให้ดี เขากระดกกลัวหลงข้ออีกหนึ่งคำถามค่ะพอดีพี่สาวคือมีความทุกข์เรื่องการนอนไม่หลับอะค่ะเพราะเคยนอนไม่หลับมาหนึ่งครั้งแล้วทีนี้มาช่วงระยะหนึ่งอะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เลยกลัวการนอนไม่หลับทางทันที่มันยังไม่เกิดขึ้นอะค่ะอยากนอนให้หลับต้องสบายใจไปหาอะไรที่สบายใจทําอะค่ะก็หลักขอหลักการปฏิบัติให้พี่สาวค่ะให้สบายใจไปหารม์ที่สบายใจค่ะบางคนชอบกินนะ ฝรั่งมันชอบสอนนะให้กินนมอุ่นๆสักแก้วหนึ่งทวมันไม่คิดถึงพระบ้างเลยหา <c oughs> อารมที่สบายพอจิตใจสบายมันจะหลับนะการธรรมสการค่ะช่วงนี้การปฏิบัติรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีพลังค่ะหลวงพ่อแต่ว่าจิตมันก็เหมือนตั้งมัน่นแต่ข้างในก็มันมไม่ค่อยไม่ค่อ ย, นะยทำในรูปแบบไป อย่าคิดว่าจะต้องดีเวลาที่เราภาวนานะทั้งที่ภาวนาสม่ําเสมอนะบางทีก็มีแรงบางทีก็ไม่มีแรงบางทีก็เจริญบางทีก็เสื่อมเพื่อปัญญามันจะได้เกิดเห็นว่าเราบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้ตอนนี้หมดแรงอย่างเงี้ยก็แค่รู้นะเออไม่ต้องไปมีแรงไม่ต้องเป็นกลางไว้แล้วก็ปฏิบัติสม่ําเสมอแหละความไม่มีแรงก็ไม่เที่ยง ปฏิบัติแบบเดิมที่ทำอยู่ใช่ใช่กาบหลวงพ่อเจ้าค่ะเมื่อสามเดือนที่แล้วหลวงพ่อให้การบ้านไปให้ไปดูไตรักแล้วก็เน้นที่มุมบรรตาเออก็ก็ไปดูมาก็เห็นความเปลี่ยนแปลงยังเห็นเราไม่ค่อยแน่ใจไม่มั่นใจแน่ใจเหรอยังยังเจ้าคายังไม่เหออแน่ใจเหรอะไปดูต่อ <c oughs> มันกลวช้าสังเกตหรือเปล่าว่ากายกระจเป็นคนละอันรู้เจ้าค่ะเออเห็นไหมความสุขทุกข์กระจายก็นคนละรู้เจ้าค่ิเลสกระจก็คนละอนรู้เจ้าค่ะเห็นไหมใจบังคับไม่ได้ทราบเจ้าค่ะเออแล้วยังอะไรอ่ะมีแต่ทําให้พอนะกลัวช้าอ่าไม่ช้าแล้ว <c oughs> ช้าถ้าลงแยกรูปแยกนามได้นะไม่ช้าแล้วมันช้า ก, กว่าอยาก ออครั้งที่แล้วหกเดือนที่แล้วก็หลวงพ่อไปดูตันหา อ, อนะมันก็ยังเนี่ยปิดบังไว้ไม่ยอมบอกว่าหกเดือนก่อนก็ให้ดูตันหาก็ไปส่งแล้วแต่ว่าแต่ก็ได้มาหมายให้ไปดูใจลักแต่มันก็ยังเห็นว่ามันช้ามันอยากได้เออนั่นแหละปะัญหาของเราเตัวนี้เป็นกิเลสนะชื่อว่ากุกข จ, จักกุกขจานี่ยเป็นความร้อนใจว่าคุณงามความดียังไม่ได้ทําความช่วยยังไม่ได้ละัะ ตัวนี้แหละขวางเอาไว้เป็นนิวร์ตัวหนึ่งนะทำให้จิตไม่สงบทำให้จิตไม่ตั้งมั่นไม่จิตไม่สงบไม่ตั้งมั่นจริงนะปัญญาไม่เกิดอริยมรรคจะไม่เกิดในขณะที่ตัวนี้ยังอยู่ไม่รู้ทันครับมีคำถามถามพ่อเจ้าค่ะตัวรู้นี่มันฟุ้งซ่านได้ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะตัวฟุ้งซ่านก็ส่วนตัวฟุง้งซ่านตัวรู้ก็ส่วนตัวรู้แต่ตัวรู้มันไม่เที่ยง มันเป็นตัวรู้อยู่ดีๆมันก็ดับกลายเป็นตัวฟุ้งซ่านอ๋อมันคือมันตั้งมั่นมาก่อนแล้วพอมันดับไปมันก็ฟุ้งแล้วก็มีตัวที่รู้ทันอีกตัวใช่เราไปนึกว่าไอ้ตัวรู้ที่ไปรู้ทันตัวฟุ้งเนี่เป็นตัวเก่าอ๋อเจ้าค่ะเออคนละทีนะอ๋อเจ้าค่ะนี่อ๋อแล้วใช้ได้แล้วเจ้าค่ะงั้นการบ้านวันนี้ก็ให้ไปดูตันหาอีกแล้วใช่ไปรู้ทันจิตที่มีกูฏจระนะจิามันอยากมันอยากเร็วๆอ่ะ ดูสิยังจะข้ามขรวนเจ้าค่ะจะเข้มแข็งขึ้นเจ้าค่ะต้องเข้มแข็งนะเจ้าค่ะธรรมะนี่เป็นธรรมะของคนกล้าน ะ, าะเพราะงั้นเวลาเราลงมือปฏิบัตินะมันเหมือนนักรบนะเข้าสนามรบนะสนามรบเราอยู่ที่กายที่ใจนี่เองนะน่าฝึกเอากราบองคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะกราบหลวงพ่อค่ะไม่ทราบ ว, ว่าตอนนี้ปฏิบัติ อะไรเพียเพ้ยนๆไปอะค่ะเลอมันเพี้ยนยังไงล่ะมันรู้สึกมันมันมันเจ็บหน้าอกแล้วก็มันก็ทุกๆ ก, ก็ค่ะแถวหน้าอกอะค่ะอืมสุขๆมันก็เกิดที่หน้าอกนั่นแหละเราดูไปยังเป็นกลางนะอย่าจงใจอย่าบังคับมันแรงถ้าจงใจมากๆมืนแน่นอึดอัดทำใจสบายๆนะไม่รีบร้อนดูไปเรื่อยๆดูไปสบายๆดูสม่าเสมอ อย่ารีบร้อนดูสบายทําให้สบายแล้วก็หายแล้วต้องมีอะไรที่จะต้องแก้ไขประปรุงอีกนี่ไงทําให้สบายสบายนะไปร้องเพลงเท่านะสบายสบายแล้วก็ดูไปนะให้มันมีความสุขอย่าไปอัดมันนะอัดมากๆเนะื้อเครียดมีอีกนิดนึงนะคะคือเมื่อนานมาแล้วะคะ่ค่ะเคย เคยเห็นสภาวะอยู่สภาวะหนึ่งอะค่ะเกิดสองครั้งแต่ก็มีอะไรที่ต่างกันอืเท้าเนี่ยกระทบน้ำแล้วก็เกิดเห็นแสงเป็นแสงสีเขียวอะค่ะวิ่งมาที่ใจแล้วเขาก็ครั้งแรกเนี่ยเขาจะเจ็บแป๊บเดียวแล้วก็ก็คือมองเขาอย่างงงว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไม่ต้องเอาเขานะให้รู้ทันจิตไป นิมิตใดๆเกิดขึ้นปล่อยมันไปมันเป็นนิมิตเหรอค ะ, อะของคุณคะ่ะกับนมัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะส่งกันบ้านคราวที่แล้วเมื่อแดเดือนที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูจิตที่ไหลไปคิดแล้วก็รู้คะ่ะก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆแล้วก็ทำในรูปแบบด้วยแต่ว่าช่วงล่าสุดได้มีโอกาสไปนั่งวิปัสสนาะคะ แล้วก็เอากันบ้านมาถวายค่ะตอนช่วงที่นั่งมันก็จะเห็นสิ่งที่หลวงพ่อเคยเทศเคยสอนอย่างเช่นว่านั่งอยู่แล้วก็กินข้าวดูลมหายใจแล้วก็สักพักก็เห็นว่ากายก็ไม่ใช่เราแล้วก็เห็นจิตมันสั <t <t ่งว่านั่งอยู <t uh> <t ่ทําไมทำไมไม่ตักข้าวจิตมันฉลาดนะถึงเวลากินมันก็ต้องกินสิแล้วก็ตอนที่นั่งก็เริ่มเห็นเนบชาค่ะแล้วก็เห็นว่ามันทรมานแต่ว่าสักพักนึงมันก็เห็นว่ามันก็ไม่ใช่เราแล้วเดี๋ยวมันก็หายไป แล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งที่เห็นก็คือนั่งดูลมหายใจแล้วก็เหมือนจิตมันเาเรียกว่าเหมือนมีแสงสว่างอะคะ่ะแล้วมันก็ได้ยินเสียงนกแล้วมันก็ดับไปก็เห็นความคันที่แขน ม, มันก็ดับไปเห็นแบบเส้นประสาทมันกระตุกแล้วก็ดับไปแต่ว่ามันมันเร็วมากๆมันเออนะฝึกฝึกไปสบายๆนะอย่าฝึกให้จริงจังมากถ้าฝึกเราเครียดเคียดไม่ดี ฝึกไปสบายเดี๋ยวมันค่อยเห็นถี่ขึ้นถี่ขึ้นแต่ว่าตอนที่เห็นแล้วมันก็จะบอกจิตมันก็บอกว่าลาคาแล้วมันก็หักลำคาสิเพราะมั น, มนภาวนาแบบเครียดเครียดอะยัง <c oughs> ไงก็ลาคาญน่ะมันลาคาญตั้งแต่เริ่มนั่งแล้วนีที่ต้องทําหรือว่าต้องแก้ไขคืออันนั้นก็ทําไปไม่เป็นไรแต่ว่าที่สําคัญออกมาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยอย่าตรึงจิตเอาไว้นะนะแล้วต่อไปเราเห็นทั้งวันเลย ทำไมมันเกิดแสงขึ้นมาได้เนีมันเป็นสมาธิงั้นที่เราทําอยู่นะเรายัางนั่งเพ่งอยู่ถึงเกิดนิมิตอย่างนั้นได้เป็นสมถะที่แนะนําก็คือให้เพ่งน้อยกว่าให้ไป น, นะอย่าไปเพ่งแรงนะแล้วอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ตามธรรมดาเลยโดยที่เราไม่ตรึงใจไว้ใจต้องเหมือนคนธรรมดาที่ภาวนาไม่เป็น แต่ว่าพอมันกระทบอารมณ์แล้วมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะเราก็ค่อยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงนั้นนะไม่ใช่กระทบเฉยกระทบกำหนดไปเรื่อยนะเนี่ยเน็บชากินนะะอย่างนี้ไม่ได้นะนึก อ, ออกอยังเออนะทําอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> อ้าต่อไปกราบนมัสการหลวงพ่อจะค่ะ คือตอนนี้ที่ปฏิปฏบัติอยู่นะคะก็ ค, คือจะตามดูจิตของตัวเองเหมือนตามาอะไรนะตามดูจิตค่ะ<อ>ค่ะเหมือนกับว่าถ้าลมพัดมาเราก็จะเห็นจิตเราไหลไปที่ความรู้สึกของว่ามีลมพัดพอลมลมระหว่างนั้นเนี่ยอาจจะมออีได้ยินเสียงใจเราก็จะตามไปดูว่าเออนี่เราได้ยินเสียงนะใจที่ลมพัดเมื่อกี้ก็ดับไปใช่ค่ะแล้วก็เหมือนบางทีพอกาลังเดินอยู่ได้กลิ่น ก็จะรู้เลยว่าเสียงนั้นดับไปแล้วกลิ่นตามมาอันนี้จะเป็นรูปแบบที่ทําที่ยึดทำอยู่ตอนนี้ค่ะแต่ว่าก็มีอีกแบบนึงด้วยก็คือเหมือนกับว่าถ้าเรารู้สึกโกรธใช่ไหมคะพอความโกรธเข้ามาเนี่ยพอเรามีสติรับรู้ว่าเราโกรธแล้วนะก็ตามเข้าไปดูอีกว่าสาเหตุของความโกรธเนี่ยเพราะอะไรเหมือนกับว่าเราโกรธเนี่ยเพราะเราไม่พอใจเพราะเรามีความต้องการตามเข้าไปอีกว่าเราโลภเราอาจจะ อยากได้หรือว่าวางไม่ลงอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือที่ปฏิบัติอยู่จะเป็นรักษณะนี้อยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าจะไปเรารู้ซื่อๆนะไม่ต้องคนกว่าเยอะถ้าคนกว่าเยอะจิตฟุ้งซ่านเดี๋ยวเราจะไปยึดเอาตัวความคิดความเห็นแทนนะถ้าเรารู้ไปเลยจิตโกรธรู้ว่าโกรธเห็นความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยไม่ต้องไปตามดูว่าทำไมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องให้นั่นจิตฟุ้งซ่านและ นะไม่ได้เดินวิปัสสนาแล้วอันนั้นคนคกว่าแล้วแต่ว่าช่วงแรกที่บอกว่าเห็นดับแล้วก็เกิดอันนั้นถูกแล้วใช่ไหมคะถ้ า, ถ, าถ้าแบบคนกวามากนะสุดท้ายเราจะกลายเป็นคนเจ้าความคิดเจ้าความเห็น เพราะว่าครั้งที่แล้วมาส่งกันบ้านกับหลวงพ่อนะคะแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ไปตามดูว่าทําไมชอบไม่ชอบหรือเข้าใจผิดไม่ทราบเหมือนกันคือให้รู้ทันใจที่ชอบนะความชอบเกิดรู้ทันใจไม่ชอบรู้ทันรู้ทันความยินดียินร้ายนะไม่ต้องค้นคว้าต่ออ๋อค่ะดูสภาวะที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาค่ะก็คือหลวงพ่อแนะนําว่าให้ไปทําต่อแบบนี้นะคะอืมไม่ใช่ไปคิดนะค่ะเข้าใจแล้วค่ะ รกราบนมัสการหลวงพ่อคะ่ะหนูเพิ่งมาส่งการบ้านเป็นครั้งแรกค่ะหลวงพอ่อปกติแล้วเนี่ยก็จะฟังซีดีหลวงพ่อคะ่ะแล้วก็ใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมนะคะหลวงพอ่อทีนี้ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาหนูมีความทุกข์ความทุกข์มันจะเป็นก้อนก้อนเดียวก้อนกอนเดียวเลยยาวๆเลยนะคะแต่เมื่อเมื่อคือนที่ผ่านมาเนี้ยค่ะหนูเพิ่งเห็นทุกข์ขาดเป็นช่วงๆเออดีค่ะคือเมื่อเราเมื่อเราเผลอปุ๊บเนี่ยเหมือนกับมีความทุกข์แล้วก็มีความปรุงแต่งเข้ามาแล้วก็ทุกข์เหมือนเล่นละครไปกับ ตัวความทุกข์นั้น<ช>แต่พอเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกถึงลหมหายใจเข้าออกของเรานะคะเหมือนเราโดดผางออกมาว่าเอ๊ะตัวเราเอ๊ะมันมีมีน้ําไหลออกจากตาเอ๊ะความทุกข์มันมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เป็นผู้ดูไปใช่นั่ น, น, นแหละจิตที่เป็นผู้ดูแลมันจะเป็นอย่างนั้นแหะร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เรานะไอ้ตัวที่มีน้ําไหลออกทางตาก็ไม่ใช่เราใช่ไหมไอ้ตัวที่คลําครวญอยู่ข้างในก็ไม่ใช่เรา<ฆ>นั่นแหละฝึกเชจนขันมันแยกออกมาจิตมันอยู่ต่างหาก คือถูกทางแล้วใช่ไหมคะหลวงพอ่อแต่ว่าที่นี้เนี่ยคือเวลาทําเหมือนเรายือ้อเราชักกระเยาะกับมันมากเลยอะค่ะคือมันไม่มไม่ได้เดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันต้องกลับมาอย่างเงี้ยค่ะหลวงพอ่อคือหนูไปเพิ่มสมาธิขึ้นนิดนึงนะให้ใจสงบหน่อยใจจะฟุ้งง่ายไปขอบพระคุณค่ะหลวงพอ่อน้อมสักการครับหลวงพอ่อส่งกันบ้านในรอบสมเดือ น, นครับครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้ไปทําในรูปแบบเพิ่มขึ้น ก็ได้ไปทำมาบ้างแล้วก็เกิดวันนี้ฟังนะครับก็เกิดปัญหาว่าการที่เราไม่รู้ว่าจิตเนี้ยของเราเนียมีกำลังพอหรื อ, อยังในการทำรูปแบบที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถ้าตอนในขณะนิ่งเนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าขณะนี้ยังนิ่งอยู่หรือว่าในขณะเนี้ยควรจะพิจารณาช่วยคือถ้าจิตจญญ ม, มันนิ่งเนี้ยนะมันไม่ยอมเดินปัญญาแล้วมันจะพอใจในความสุขความสงบอย่างเดียว ถ้าจิตจะเอาแต่ความสุขความสงบนล้วไม่ยอมดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจนี้ต้องช่วยมันละมันติดความสุขความสงบติดความนิ่งไปแล้วของคุณมันไม่นิ่งหรอกสิ่งใดจะเป็นตัวบอกครับว่ า, ว, าว่าเราติดตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่าอะไรพวกนี้อย่ากลัวนะการภาวนาเนะี่ยอย่ากลัวติดค่อยๆสังเกตไปนะค่อยใช้ความสังเกตค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ใจเย็นๆยังไงก็ติด ถ้าไม่ติดต้องโลกุุตละไปแล้วก็คือไม่ต้องเมื่อถึงเวลาของมันเองมันก็จะเป็นของมันเองก็คือตอนนี้ทำในเราแต่เราทำเหตุไปเรืยนะที่ทำอยู่นะทำดีแล้วสังเกตเปล่าว่ากายใจเป็นโคละานกันหรือกายจิตกับความรู้สึกอะคนละนกันชัดไหมชัดบางไม่ชัดบางเห็นไหมตัวนี้สายนาอจะเห็นบ้างเห็นไหมตัวนี้ปยัหนาอฮเนี่ยเนี่ยแค่ยิ่ง แต่ไม่ใช่อย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ได้นะผิดธรรมชาติเนี่ยไปทำแข็งๆหน่อยแนละ้ว ป, ปัจจุบันขณะตอนนี้นี่ถือว่าทำถูกทางหรือว่าต้องมีอะไรแก้ไขไหมครับปัจจุบันเนี่ยทำดีแต่ปัจจุบันขณะเพ่งโอเคครับเข้าใจครับขอบคุณครับกลา่าววสการหลวงพอ่อ ส่งการบ้านเป็นครั้งแรกครับ mm hmm. ได้มีโอกาสฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ3ปีครับวิธีปฏิบัติก็คือทําความรู้สึกตัวครับแยกระหว่างสภาวะรู้สึกตัวกับสภาวะที่หลงครับแล้วก็มีการนั่งสมาธิบ้างครับ mm hmm. ปัญหาที่เกิดจากการภาวนาก็คือภาวนาไปครับะจะรู้สึกว่าใจจะเป็นกุศลแต่บางครั้งมันก็จะมีจิต ท, ที่เป็นอกุศลแวบขึ้นมาครับ mm hmm. ซึ่งมันจะเป็นลักษณะที่แบบตามา ต, ต่อสิ่งศักดิ์ส mm ิทธิ์หรืออะไรอย่างนี้ครับ mm hmm. วันไหนที่สติเราดีครับเราก็จะสามารถรู้ได้ทันมันก็จะผุดแล้วก็ดับไปตรงนั้นแต่วันไหนที่สติเราไม่ดีครับมันก็จะเข้าไปปรุงแต่งครับอืก็เลยเกิดคําถามกันว่าจิตลักษณะอย่างนี้บาปไหมครับแล ะ, ะแล้วก็วันไหนที่กําลังสติเราไม่ดีอครับเราจะรับมือกับจิตในลักษณะอย่างนี้อย่างไรครับคือตรงที่มันผุดขึ้นมาเองนะมันทํางานของมันเองนะตรงเนี้เราไม่ได้มีเจตนานะ แค่ไม่มีสังขารไม่มีความปรุงแต่ตรงที่เราเข้าไปช่วยปรุงเนี่ยเราทํากรรมล้นะแต่ว่าห้ามได้ไหมไม่ให้มันผุดขึ้นมาห้ามไม่ได้นะเราก็ฝึกสติของเราให้เร็วพอมันผุดขึ้นมาก็แค่รู้เห็นมันผุดเองเราไม่บาปมันมันบาปไม่ใช่เราบาปนะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทำมันผุดแค่มันผุดเท่านั้นเองนะแต่ถ้าเราคล้อยตามเราลงมือร่วมมือด้วยปลูกแต่งด้วยเราก็ต้องรับมีบาปแล้ว อย่ากลัวนะยังไงยังไงอยู่ในวัฏฏะเราก็ทํากรรมทําอะไรอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแหละทําอีกนิดหน่อยไม่เป็นไรแล้วค่อยรู้เอา <c oughs> นะอยู่ๆจะให้มันไม่ปรุงแต่งมันไม่ได้เห็นไหมมันไม่ได้มันยังปรุงอยู่เพียงแต่ว่าเมื่อมันปรุงแล้วเราก็รู้ทันเลอย่าไปช่วยมันปรุงจิตปรุงแต่งไม่เป็นไรเลยอย่าไปปรุงแต่งจิตนะ <c oughs> ที่ฝึก อ, อยู่ดีนะไม่ใช่ไม่ดีดีมากๆด้วย <c oughs> กราบขอขอบคุณครับกราบนมัส ก, การหลวงพ่อครับผมปฏิบัติธรรมจริงๆังก็ไม่ถึงปีฮะแล้วก็ฟังสี่ดีหลวงพ่อเนี่ยประมาณ3ามเดือนนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นออผมปฏิบัติในรูปแบบสวดมนต์สวดมนต์แบบเยอะมากเลยครับชินบัรชอนตอนตอนก่อนหน้าที่จะฟังสี่หลวงพ่อฮะร้อยแดจบอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จิตมันรวมช่วงหลังๆมาเนี่ยช่วงฟังสี่หลวงพ่อเนี่ยจิตรวมรวม ผ ม, ผมศึกษาเรื่องฌานด้วยฮะจิตรวมเหมือนกับแล้วก็มันตัวล อ, อยขึ้นเบาขึ้นแต่ว่ามันมันเป็นหลังสุดเป็นแค่ครั้งเดียวฮะแล้วผมก็ที่หลวงพ่อแนะนำว่าวิธีที่เข้าฌานแล้วมามาเป็นตัวรู้นะฮะผมก็อยากอยากจะทำวิธีนั้นจะถามหลวงพ่อว่าที่ผมปฏิบัติอยูอ่ตามรู้กายรู้รู้จิตอยู่ทุกวันนี้ฮะก็มันมีมัน คือคือมันก็รู้ว่าตัวเองก้าวหน้าขึ้นมีความแจ่มใสมีความล่าเริงแล้วก็สดชื่นขึ้นเยอะครับทีนี้ว่าจะขลวงพ่อแนะนําติชมยังไงต่อครับจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมตอนนี้ตื่นเต้นครับอืขมไหมมันไม่ไดุ้มนะฮะตื่นเต้นอตื่นเต้นเฉยเฉยหรือว่าเราไปบังคับมันด้วยบังคับนิดหน่อยนะตัวนี้รู้ทันจิตใช้ได้อยู่ไปฝึกได้อีกไปทําได้ ครับนะก็ฝึกต่อไปอีกวิธีที่ตัวรู้จะเกิดในฌานนะก็พอจิตมันจับอยู่ใช้อารมณ์อะไรใช้ใช้ลมหายใจครับเออลมเนี่ยใช้ได้มันสว่างไหมยังยังยังไม่เห็นขนาดนะนะั้นฮะเห็นตัวว่าลอยตัวเบามันมีปิติปิติฮ ะ, ะมัมีปิตินะมีปิติดูไปแล้วปิติมันก็ดับดับครับนะจิตก็เป็นอุบเบกขาจิตที่เป็นอุเบกขาก็ทรงความรู้สึกตัวอยู่นะ ยังมีกายอยู่ไหมมีครับก็ดูไปเห็นกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันนะอันนี้จริงๆมันไม่เข้าฌานนะมันถอยออกมาละนะมันถอยออกมาละถ้าจิตมันทรงฌานมันมันจะเข้าไปลึกกว่านี้อีกอ๋อครับเพราะผมฟังเพพ่อว่าฌานที่สองผมก็พยายามจะทำให้มันถึงฌานที่สองในฌานมันยังไม่ได้หนึ่งหนึ่งยังไม่ได้เลยใช่มเออนะมันมีปีติอยู่แต่ว่ามันยังไม่รวมเอกกักตาจริง แล้วผมใช้วิหารธรรมคือใช่ลมหายใจดูใช่<ด>ใช่ใชลมหายใจเนี่ยเป็นกรรมฐานที่ทําได้ถึงฌานสี่ครับถ้าฌานสี่แล้วไม่ยอมแปป็นฌานที่หนึ่งะก่อนจะถึงฌานที่หนึ่งมันเป็นแสงไปแล้วเราใช้แสงเนี่ยตัวลมหายใจทีแรกที่เราหายใจเนี่ยลมเนี่ยเรียก ว, ว่าบริกรรมนิมิตนะถ้าไปลมมันค่อยตื้นตื้นตื้นลมมันตื้นขึ้นยังไม่ไม่ครับมันบางวันมันก็ฟุ้งฮะ มันก็ไม่ไม่เข้าไม่รวมทุกอย่งมันไม่ได้เข้าชารนนะมันสงบสงบเป็นช่วงๆเท่านั้นครับเพราะว่าจะติดพวกทีวีบางทีก็จากดูบอลอะไรเงี้ยฮะไม่เข้าชาร์นหรอกต้องฝฟกอีกนะเพราะว่าบางทีสองสาวันแล้วเรามีความสุขแล้วเราก็แบบเริ่มจะหลงแล้วอยากจะดูดูนั่นแต่ว่านี่ดูบ่อยนะฮะอาทิตย์หนึ่งเสาร์อาทิตย์เงี้ยฮะก็รู้ว่ายังตัดไม่ไม่ขาดนะจะทําให้ได้ชารนนะต้องใจแข็ง ฤรีอเลยทำเก่งฤสีไม่เคยดูทีวีเลยไม่มีบอลให้ดูด้วยไปฝึกแปะ๊ะไปฝึกเอานะที่สำคัญก็คือเราเห็นกิเลสเกิดขึ้นสดๆร้อนๆในชีวิตเหล่านี้แหละนะนะคใครรู้ได้ด้วยสมาธิมันจะค่อยเพิ่มขึ้นได้ๆนะสมาธิก็ดีอยู่ไม่ใช่ไม่ดีหรอกแต่ต้องเพิ่มชั่วโมงบินใช่ไหมครับใช่ จิตก็ตั้งมั่นอยู่นะจิตเป็นผู้รู้ได้ละเป็นผู้รู้ได้แล้วบางบางบางทีก็เคยมีนั่งครั้งหนึ่งแล้วก็แยกนั่น แ, <ย>แหละแยกแยกได้ครั้งเดียวครับออแล้ววันนั้นไม่มีแยกได้อีกเลยครับไม่อยากแยกไม่แยกแล้วนะเพรา ะ, ะว่าไม่ไม่ตั้งมั่นใช่ใช่ไม่ตั้งมั่นสมาธิเราไม่พอสมาธิชนิดตั้งมั่นไม่พอให้เราคอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดบ่อยๆนะนั่นมันจะแยกเองครับ ของคุณนะมันพร้อมที่จะเจริญปัญญาอยู่แล้วล่วนะต้องระวังปัญญาจะล้ำด้วยซ้ำไปครับล้ำนี่คือว่ามันเหมือนคิดเองใช่ไหมคิดนำคิดนำนะว่ามันทุกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออใช่แล้วนะเราเพิ่มความตั้งมั่นของจิตขึ้นเมเวลาจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันรู้สบายๆนะใจมันะ จ, จะตั้งมั่นสมาธิเพิ่มขึ้นต่อไปจะทำฌานทาแรงก็ง่ายกว่านี้ อย่างถ้าจะเข้าฌานอยู่แล้วจะบอกว่าเราจะหาตัวรู้ในฌานหลุดออกมาจากฌานทันทีเลยนะก็ให้ให้ตั้งมั่นทำในรูปแบบแล้วก็ในชีวิตประจำวันด้วยใช่ไหมใชใช่สองอย่างบวกกันใช่ก็เลยถ้าเราในรูปแบบเราก็ทำนะในชีวิตประจำวันเราก็ทาเราอาจจะได้มรรคผลก่อนได้ฌานก็ได้อ่ะหมดยังหมดแล้วครับครับก็ ขอเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้นะครับกล่าวคําถวายทานแด่หลวงพ่อครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยษไตยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทปรโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวจาบสิ้นกาลละนานเทินยะถาวารีวะหาปูราปริภูเรนตีสาคารัง เอวเมวายโตทินังเฟตาณังอุปการปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิชตุสัเพภูเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยถามณิโชติรโสยถาสัพีตโยวิวัชฉันตูสภโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะ อาภิวาทนาสีลิสนิจังวุทาป จ, จายโนจัตตารโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังใครเป็นผู้รู้ใครเป็นผู้หลงบ้างเป็นผู้หลงหรือผู้รู้